เรินพรท่านสานุชนพุทธบริษัต์ผู้ฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจก็เชิญเข้ามาโลกสนทนาได้เช่นเคยเราก็ไปที่เด็กชายนักคุณก่อนอนักคุณ ไปทะลึ่งนะกันนามัสการค่ะพระอ า, าจารย์ันนมสการขอพระอาจารย์อมอมีรวนร้ายนะนคุณโอ้โหดีสุดสุดเลยค่ะอ่าแลลวคูกรรมเกิด <c oughs> มาเพื่อมาสร้างกรรมให้กับแม่นะโอ้โสุดสเลยค่ะ่ปญี่ปุ่นปุ๊บ ต่อมโนนี้เต็มพลังเอเต็มเต็มร้อยเลยค่ะวะอาจอรยมีคําถามไหมนะคุณมีคําถามไหมคะมสวัสดีสสดปีใหม่ไทยพระอาจารย์กัอนอบอกพระอาจารย์อันนี้ปีใหม่ไทยไงคะ ส, ส, สงการเออประกาศพระอาจารย์ตอนนี้มากับพระอาจารย์ สีใหม่ไทยค่ะพระอาจารย์ถอยพระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะคะจ้าสาธุที่นี่สี่ทุมแล้วค่ะตัวนี้งม่วงแล้วอาจารย์เดี๋ยวขอฟังฟังข้างนอกนะคะโอเคสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อาธุไปที่ประเทศไปที่ประเทศอังกฤษต่อจามัตต์กัจจที่ละมาสการ์พอาจารย์ครับ เมืองที่อยู่นี่ชื่อว่าอะไรนะตอนนี้อยู่เคมบริดจ์ครับอยู่ที่เคมบริดจ์แต่เมืองที่ใช่ครับเยังไม่ค่อยชัดเลยบ้านบ้านที่หนูอยู่อยู่บ้านของอะไรยบ้านที่อยู่อยู่นอริดครับนอริดใช่แต่ที่มาวันนี้มาเคมบริดจ์ใช่ครับคุณพ่อไปท้าจาร์เลยมา ถ้าค่ะพอมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครับมาดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆครับอได้ไปเที่ยวบ่อยไหมทุกวันที่อยู่ที่นั่นได้ไออปทุกวันใช่ปะครับอืมพ่อพ่อไปไหนบ้างนะครับไปดูมาหาอะไรแล้วก็ไปดู พ, พิพิธภัณฑ์ครับอโอเคได้ไหม ดีได้ความรู้เนะดีกว่าไปเที่ยวที่ที่ไม่ไม่ได้ให้ความรู้อะไ ร, รอันนี้อเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับไปที่นอร์เวย์จกลับพรุ่งนี้ครับอโอเคเดินทางโดยอะไรรถไฟครับรถไฟไม่มีรถยนต์ที่นี่ไม่มีรถยนต์ ไม่มีรถยนต์ครับโอเคอยากจะมาส่งการบ้านใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอะไรเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าเราจะต้องครอบคลาบจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมนันใดไว้เป็นอุรุเป็นบาเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิบไป เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวั น, วนเถิดเรื่อไหมที่เท่ามนนี้เชื่อหรือเป่าเชื่อครับต่าไปต้องแก่นะไปต้องเจ็บใครได้ป่วยไปต้องตายนะเดียงเลียงไม่ได้นะครับโอเคแล้วร่างกายเราสวยงามไหมไม่สวยครับเพราะอะไร มีอาการสาสับครับเช่นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับถังเผืดใไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนื่อยน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเหนื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดี แในสมองศีสัอาหารเก่าอาหารใหม่ใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไตพังผืดตับหัวใจม้ามแย่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมนา่งกายถลุดแล้วไม่สวยงามเลยใช่ไหมไม่สวยงามไหย ไม่สวยส อ, อย่างนี้มัมีแฟนก็แสดงว่าตาบอดใช่ไหมใช่ครับถ้ามีแฟนจะแสดงว่ามองไม่เห็นว่าร่างกายไม่สวยงามใช่ไหมใช่ครับล้วคิดว่าจะมีแฟนหรือเปล่าไม่น่าครับไม่น่านเลยยังไม่รู้ไม่แน่ใจเลยก็ส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากมีครับอ่าโอเค มีอะไรจะถามไหมไม่มีรครับเราจะกลับมาเมืองไทยเมื่ อ, อไหร่วันที่3 0วันที่30ครับโอเคเราก็จเจอกันอาทิตย์หน้านะค่ะขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะได้ความร ด, ด้วยค่ะขอบคุณพระอาจารย์ครับต่อไปคุณทบับอ่าใช่ น้อมกราบนมรสมการพระอาจารย์ครับผมมีอะไรไหมยังไม่มีครับโอเคงั้นก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะปฏิบัติไปเรื่อยๆครับผมโอเคให้ที<อ>คุณฝน<อ><ฟ>คุนฝนต่ออลูกชายกับพรุนี้น ะ, นะยังมาไม่ถึงกลับนรสาการค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้ไปรับลูกชายค่ะ แล้วที่ไหนที่สนามบินเด้อไปที่ไปไปไปที่อ่ไปที่สิงคโปร์เจ้าค่ะพรุ่งนี้ไปสิบเจ็ดแล้วก็กลับมาวันเสาร์ที่สิบเก้าค่ะค่ะ <c oughs> ก็เขาก็ดีใจจะได้กลับบ้านแล้วเรียนพิเศษเด้อไปทำอะไรอ่ให้เขาไปซัมไปเรียนซัมเมอร์ค่ะาอาจารย์คือเขาจะเป็นโปรแกรมแบบว่าเรียนอ่อเรียนเรียนเหมือนเรียนทั้งภาษาอังกฤษอ่อ เลขวิทยาศาสตร์ภาษ า, าจีนนะคะผาาูอาวุโเป็นหลักสูตรของสิงคโปร์แต่ว่าเหมือนให้เขาไปลองลองดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหัดใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นลองให้ลองไปดูอะคะาาอ่ะผอาวุโสอัี้ขั้งแรกนะขั้งแรกค่ะให้ไปคนเดียวเลยค่ะอืมี่ใได้มหครามรู้จักช่วยเหลือตอนเองได้ค่ะเพราะไม่งั้นอยู่ที่บ้านก็ พี่เรียนก็คอยดูแลประกอบประงมคือแต่ว่าเขาไปเที่ยวนี้คิดว่าเขาก็จะได้ฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดเดี๋ยวจะรอดูว่ากลับมาเป็นยังไงเหมือนกัน <laughs> ค่ะกะ็หนูขออนุญาตจะกลับเรียนพระจ้านะคะว่าหลังจากที่กลับมาที่วันก่อนไปกราบพระจารวกลับมาหนูก็กลับมานั่งปฏิบัตินะคะทีนี้หนูยังรู้สึกว่า พอดีอยู่ในช่วงค้นหากับทางที่จริตที่ถูกกับตัวเองนะคะพระอาจารย์ว่าจะเป็นพุทโธหรือจะเป็นสวดมนต์ไปเรื่อยๆหรือจะเป็นดูลมมาค่ะเในช่วงหลังๆนะคะพระอาจารย์หนูดูดูเน้นอไปดูลมเป็นหลกักเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่อึดอัด น, นะคะเราก็สบายแต่ว่าการดูลมอะค่ะมันก็จะทําให้หนูชอบแว บ, บไปคิดคือมันมันแว บ, บไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็เลย ลองปรับเปลี่ยนเอาพุโทโธเข้ามาช่วยกําหนดนะคะคือก่อนหน้าเนี้ยจะไปพุโทโธอย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนแบบพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแบบมันไม่มีจังหวะอะค่ะพระอาจารย์พอพอเอาพุโทโธมาคู่กับลมหายใจค่ะก็รู้สึกว่าเอมันก็สบายขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ว่าหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูควรจะหนูจะทําถูกไหมเพราะว่าเหมือนพระอาจารย์เคยบอกว่าให้ให้เอาหลักแค่อย่างเดียวอะคะ่ะพระอาจารย์ ก็ไม่แน่นอนก็แล้วแต่คนถ้บางคนใช้สองอย่างได้ได้ประโยชน์ก็ได้เหมือนกันคือพอเหมือนพอทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอพอเหมือนพูดโทกับลมหายใจเนี่ยเหมือนมันมีจังหวะอะค่ะแล้วมันมันมันมันไปด้วยกันได้อะค่ะพระอาจารย์ถึงจุดจุดหนึ่งหนูก็จะเริ่มแบบเอออยากจะอยู่กับลมหายใจอยากจะดูลมอย่างเดียวเพราะว่ารู้สึกแบบไม่เหนื่อยดีรู้สึกสบายอะค่ะพระอาจารย์ก็ดี แต่บางทีเกิดเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบางทีเราดูลมมันจะอยู่ไม่อยู่เราต้องอคําบริกรรมแต่ถ้าคําบริกรรมไม่ผูกไว้กับลมมันก็ไม่พอแรงไม่พอวันนี้เราทำบริกรรมอย่างเดียวต้องบริกรรมให้มันที่งังก็ต้องทดลองดูนะมนไม่มีไม่มีสูตรตายตัวแต่ต้องรู้ปรับใช้ให้ให้ถูกกับกับเหตุการณ์ เวลานั่งเขาเจ็บเนี่ยจ็บมันจะไปเพราะโพลกับเรื่องเจ็บมันไม่ยามดูลมมันไม่ยอมอยู่กับพุทโธกับลมเพราะมันช้าเกินไปมันมเช้าให้วมันแวบไปหาความเจ็บได้แต่ว่าต้องทิ้งลมแล้วพุทโธให้มันเร็วขึ้นนี่ก็คือหมายถึงว่าในการนั่งสมาธิหนึ่งครั้งค่ะพระอาจารย์เราสามารถปรับเปลี่ยนไปได้จนวจจะเหมือนว่ามันเข้าที่ใช่ไหมคะ ก็อย <formation jin inh aling> <at> ่างนั้นแหละก็ต้องให้มันในที่สุดได้ได้อันไหนที่มันเหมาะกับเราในช่วงนั้นแต่ในที่สุดแล้วคนจะดูลมอย่างเดียว่ะดีที่สุดถ้าถ้ายังดูไม่นด้แสดงว่าสติเรายังมีกําลังไม่มากพอก็ต้องอาศัยพุทโธช่วยหรืออาศัยการสวดมนต์แล้วแต่ละคนตแอ่ถ้ามีกําลังพอแล้วดูลมได้อย่างเดียวแล้วสบายก็ดูลมไปดีกว่าดีที่สุด ช่วงดูลมอค่ะรู้สึกจะมันสบายที่สุดแล้วอะคะาาอ่ะอาจารย์แต่ ว, ว่าอย่างที่บอกพอเราดูลมบางทีมันมันเผลอไปคิดอะคะ่ะ ค, คือ<น>คือรู้วค่ะทุกครั้งที่เผลอไปคิดเนี่ยจะรู้แล<น>้วค่ะอาจารย์แต่มันจะรู้สึกว่าเผล่ง่ายไปหน่อยอะคะ่ะให้กันดูลมนันนึงมันกลับมาที่ล ม, ม, มต่อไปมันมันจะไม่อยู่กับลมตลอดเวลานะเวลามันไปแล้วก็มันมันกลับมาที่ลมไป ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องทดลองอุบายตั้งตามแล้วแต่ว่ามันจะถูกกับเราในช่วงนั้นตัวไหนมันถูกกับเราแบบไหนมันถูกกัเร า, าเราแบบนั้นไปคอย่างที่พูดนะ่ะถ้าได้ดูลมอย่างเดียวได้ดีที่สุดแคแต่ยังดูไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีช่วยไปก่อนหนูก็เดี๋ยวจะลองหาวิธีที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่รู้สึกว่าเออถูกอยู่ อยู่กับมันได้นานที่สุดนะคะคือเด uh ี huh. ย๋ยวเนี้ยเริ่มเริ่มค่อนข้างจะอมมันมันไม่ถึงกับอยู่ตัวนะคะแต่ว่าไม่เหมือนตอนที่ฝึกตอนแรกๆที่จะนั่งได้แค่แบบสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะคะ่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยก็เริ่มนั่งได้แบบในนานขึ้นอะไรแบบเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็ถ mm ือว่าก็โอเคก็จะพยายามฝึกต่อไปอะค่ะพระอาจารย์เน่เค่ะก็ก็ ค่ะงันก็กราบเรียนพระอาจารย์เท่านี้ค่ะพระอาจารย์แล้วเดี๋ยว <Okay. S 1> อาทิตย์หน้าหมู่น้อยกลับมาเลยเดี๋ยวจะให้เข้ามากราบพระอาจารย์นะคะครับขอตัวกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะขุนปลาวะอะไรที่ราชาอาจารย์รอสักพู่นะคะดันหนุ่มเรียกลูกสาวสุพอดีพอดีลูกสาวเขาเพิ่งกลับมาค่ะก็เลยได้มีโอกาสมากราบพระอาจารย์ค่ะ ใ น, นพระอาเจารย์ถามว่าจะกลับเล้วกลับแล้วหรอใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปไปไปอเมริกาต่อค่ะน่าไปทำโ <ไป S 2> รดทรเวิลค่ะก็เลยมากับพระอาจารย์ก่อนไป阿ก้าค่ะไปเที่ยวแล้วก็วไปทํางานใช่ไหมใช่ค่ะไปทํางานค่ะทํางานนี่เรียนจบแล้วเหรออ๋อเดีวอีกปีหนึ่งค่ะอ๋อไม่ทำงานซ้ำเลยใช่ค่ะ ไปยังไงมีบรษัทเขาจัดส่งไปไม่ว่าเราสมัครไปเองอืมสมัครไปค่ะอืมไปไปทำเกี่ยวอะไรพอจะพูดได้ไหมเอ่อไปทำเกี่ยวกับโรงแรมค่ะโรงแรมอืมค่ะไม่ค่ะก็หลักๆก็คือเหมือนไป work and เวอร์ค่ะแล้วก็ไปทำงานเป็น housekeeping ในงานโรงแรมซึ่งเขาก็คงอยากจะอยากจะทดลองนะคะว่าเขาชอบหรือเปล่าอะไรงานโรงแรมเนี้ยค่ะ แม่แม่เป็คนติดต่อให้เลยติดต่อเองค่ะเองเลยค่ะหาเงินเองหนูไม่หนูไม่จ่ายให้สักบาทเลยหนูบอกว่าอยากไปก็หาเงินเองเขาพอดีเขาเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรงนี้ด้วยอจับตังค์เข้าไปอ่าด็ค่ะก็หลักๆก็คือหนูก็ให้เขามีสติค่ะหนูคุยกับเขาว่าถ้าเกิดภัยพิบัติอะไรเงี้ยจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็ใช้เรื่องการตั้งสติค่ะอืมตรงนี้ก็สอนเขาไว้เรื่องนี้อย่างเดียว ก็ต้องระวัตระวังอย่าไปเชื่อใครง่ายๆก็แล้วกันนะค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจใตายค่ะถามสารโทรค่ะคนจะไวนี้รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจหน้าเป็นอย่างใจอาจจะเป็นอย่างหน้าเป็นคนใจอาจจะเป็นยักษ์ก็ได้นะอ่คะเตรียมพร้อมนะพยายามเกินกันตลอด อย่าประมาณนะอาจารู้สึกอะไรทำแนงทำแม่ไมไม่ไม่เป็นพี่คนนี้่อนต้องเริ่มสงสัยแล้วกำลังจะไปแล้วค่ะกับก็ขอบคุณค่ะพระอาจารย์โอเคนะมีสติแล้วก็ทุกอย่างมันจะปลอดภัยเรียบร้อยนะสติมีความรมันตะวางมีความรอบครอบนะขอให้ไปดีมาดีนะ อันนีไม่อยากไปนออ้อพ่อพูดนี้ไม่อยากไปนี่อยากไปคะหนูให้เขาไปไปหาประสบ ก, การณ์อาหารอยากไปก็ก็ไปเลยแต่ว่าก็ต้องไปเชิญรับปัญหาแก้ไขปัญหาเอาค่ะว่าว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราตแล้วต้องรู้จักพึ่งตนเองได้นะนี่ค่ะ กลับขอบพระคุณค่ะสาธุไปที่คุณแอนต่อแอนตอนนี้อยู่ที่ไหนค่ะน้อว่ า, วาของพ่อเจ้าค่ะอยู่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะเพิ่งกลับมาถึงเมื่อบ่ายๆเนี้ยค่ะมาจากมะนิลาเจ้าค่ะค่ะ อันนี้อยู่ในห้องห้องอะไรเนี่ยแล้วว่าเป็นอะไรเอาถ่ายแยเป็นแบ็กกราวด์ค่ะเป็นแบ็กกราวด์เวลาทํางานอยู่ในเครื่องบินค่ะเครื่องบินไม่ทำงานเจ้าค่ะไม่ทำงานเจ้าค่ะไม่ได้ถ้าอยู่บนเครื่องหนูก็จะประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อที่ทํางานหนูค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะก็ไม่ได้เข้าซูมมานานวันนี้เลยมานั่งมานั่งฟังเพื่อนๆกับมาฟังทรามหลวงพ่อมาช้าแบบนั่ง ค่ะทำก็จะได้สติได้ปัญญาค่ะเดือนเดือนเดือนที่ผ่านมานี่อยู่กับทั้งโลกตลอดเลยค่ะมีเรื่องเยอะแยะต้องทําค่ะพอดีมีรลียนเนียนครอบครัวใหญ่เลยค่ะมากันจากทั่วทุกทั่วทุกสารทิศเลยเลยเพิ่งกลับกันไปวันนี้เจ้าค่ะค่ะก็เลยไม่ได้เข้าซูมเลยอยู่แต่กับพี่พี่น้องๆค่ะพอดีงานงานเจอกันทีก็ค่ะ ดีเจ้าค่ะเจอนานๆเจอกันทีแต่ก็ก็วุ่นวายนิดนึงค่ะแต่พอตอนแต่ก็กลับไปใช้ชีวิตแต่ละคนก็แก่ๆมีอายุกันหมดแล้วค่ะได้เจอกันทีก็มีความสุขแต่ก็ต้องแต่ก็ได้อยู่ได้แค่แค่อาทิตย์เดียวค่ะเจอกันแค่อาทิตย์เดียว่ะไม่รู้อีกทีไม่รู้จะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหไร่ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่สามยีรร่รีบหาเวลานั่งสมาธิได้คนะ่ะ ตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วค่ะที่บ้านก็เงียบแล้วหนูไม่มีไม่มีต้องคอยออไปดูแลใครแล้วไม่ต้องไม่ต้องปกปักษกคนแล้วค่ะกลับกันไปหมดแล้วเดี๋ยววันก็อาทิตย์นี้ก็กลับมาสู่ภาวะปะกติว่าจะเริ่มเริ่มนั่งแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเหมือนเดิมค่ะามามเป็นสเติคอยควบคุมใจนะค่ะอยู่ปัจจุบันค่ะ นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อะไรเลยยอมรับเลยที่ผ่านมาเดือนหนึ่งนี้ไม่มีเวลาเลยเจ้าค่ะผัดแต่ว่าจริงๆก็จะว่าจะว่าไม่มีเวลาก็ไม่ผัดตัวเองนะเจ้าค่ะถึงแม้จะมเลยถึงแม้จะมีบางทีมันนั่งมันก็นั่งไม่ได้นะท่าใจมันวนกับเรื่องราวต่างๆค่ะแต่เดี๋ยวทีนี้มันเริ่มเริ่มมากลับมาอยู่กับตัวเองนะเจ้าค่ะเริ่มต้นท่างนั่งยังไม่ได้ก็ นั่งดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็ท่องมนุษย์เลยก่อนเนื่องสติกลับมาอาการสามสิบสองนี้ก็ได้ท่องอาการสามสิบสองค่ะเดี๋ยวนี้พยายามอยู่กับพุทโธค่ะก็ก็รู้สึกดีใจที่มีพุทโธอยู่กับอยู่กับตัวใช่าค่ะหลวงพ่อเวลาเวลาทำอะไรมันก็มีมีพุทโธกับดึงกับเข้ามาได้ดดก็ถือว่าใช้ได้ช่วย ม, มีสติมีสติสำรองไว้เวลาต้องการใช้ก็ใช้ได้ค่ะค่ะอย่างน้อยก็ไม่อย่างน้อยก็คือคือเหมือนเวลาทําอะไรไงค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีพุโทโธเหมือนกับว่าอยู่มาอยู่กับตัวค่ะหลวงพ่ออาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่พอพอนึกขึ้นได้ก็พุโทโธอย่างน้อยก็รู้ตัวโอเคมีพุโทโธอยู่กลับมาที่พุทโธค่ะพยายามนึกบ่อยๆช่วงไหนที่มีเวลาว่างพุโทโธได้ก็พุโทโธเลยเจ้าค่ะ จะพยายามตอไปเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะรุ่งไปที่คุณแนนุดอธานีน้องกลับนามสกุค่ะพระอาจาร์ลูกไม่มีคาถามเจ้าค่ะโอเคนี่คุณนิสาเออคุณนิสาน้อมกลบนาัสการค่ะพระอาจาร์ลูกก็เรื่อยๆค่ะพระอาจาร์พระอาจาร ช่วงนี้เทศหลายวันเลยเหนื่อยไหมคะพระอาจารย์ไม่เหนื่อยหรอกมันก็เป็นปกติเมื่อสองปีก่อนก่อนมีโควิดต้องเทศทุกวันเลยค่ะอ๋อค่ะพระอาจารย์อยู่บนเขาตอนนี้อยู่บนเขาค่ะสายบาตก็คนเยอะนะคะวันสงการฟ ร, รีเลยค่ะพระอาจารย์ช่วงสงการนี่คนไม่ต่ำกว่าสี่รอยขึ้นไปโอ้ค่ะอ า, าจารย์กว่าพระอาจารย์จะได้กลับขึ้นรถนี่ ต้องถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์คนถ่าเยอะเฟซเฟซีเพียบค่ะพรอาจารย์ถ่ายเป็นที่เราเล็กหน่อยค่ะพอาจารย์เราก็นึกถึงตอนที่เราเป็นสมัยเด็กๆก็อยากจะถ่ายกับดาราภาพยนตร์นะตอนนี้ก็คือตอนนี้เราเป็นดาราแล้วค่ะพาอาจารย์ก็เห็นโอ้โหเราแบบร้อนด้วยค่ะต้องมีคนถือล้มให้ ประเด็นพระเจ้าปรเด็ค่ะพอาจารย์ก็สําหรับลูกก็ไม่มีอะไรค่ะมาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติค่ะพระอาจารย์แต่ในใจก็ลึกๆก็คิดว่าแบบบางทีมันก็แวบๆขึ้นมาว่ามันเหมือนแบบทางโลกกับทางธรรมมันเดินแบบคู่ขนานกันมันไม่มีทางมาบรรจบกันนะคะพระอาจารย์อืมมันต้องเลือกมันต้อง มีความรู้สึกว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันเหมือนมันถึงมันต้องเลือกทรัพย์ทางมันเหมือนมันจะแบบทางในทางหนึ่งมันมียากทางมันต้องยากกันไปค่ะทางลงมันมันลงใต้ทางทางมันขึ้นเหนืออ่างค่ะอาจารย์แต่ช่วงแรกๆอาจจะเริ่มต้นที่จุดเดียวกันได้อแต่ต่อไปพอธรรมะไม่มีมากขึ้นมากขึ้นมันก็ต้องการความสงบมากขึ้นมากขึ้น ค่ะอาจารย์พยายามทาไปเรื่ยๆก็้วไม่ต้องกังวลอย่าไปทุกข์กับอะไรแม้แต่การปฏิบัติก็ไม่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันค่ะถ้าเราคิดอย่างนี้เท่ากับเราทุกข์เราเราเริ่มมีกิเลสเข้ามาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเรากังวนลนะมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่นั่นนี่ก็แสดงว่าเรามีกิเลส้วอยากอยากจะได้ทั้งสองทางมั่งพูดอย่างนี้ทางโลเป็นอย่างได้อยู่ ท, าทา่าทําทำกอย่างอย่างได้อยู่อืมแต่อ่ะ อยากจะให้มันแบบไปทางทำเยอะมา ก, มากๆเกอ่านี้ค่ะพระอาจารย์มันเป็นความอยากของเราแต่มันเป็นความอยากที่ดีใช่ไหมคะดีใช่แล้วก็ตั้งเป้าหมายเราตั้งโกไว้เนี่ย เ, เดือนหน้าจะทําเท่าไหร่เดือนต่อไปจะทําเท่าไหร่ให้มัน ม, มีเป้าหมายค่ะอราจะรอให้มันไปเองไม่ไปเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็ผักดันมันไปค่ะพระอาจารย์ บางทีมันก็นึกว่าแบบเราเรามาเริ่มปฏิบัติตอนเราอายุเยอะค่ะพระอาจารย์บางทีมันมีกิเลสที่แบบมันเหมือนมันมันฝังอยู่ในตัวเยอะพอสมควรค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันยากนะที่จะบอกถแบบเดินสู่ทางธรรมแบบแบบแเหมือนแบบอย่างพระอาจารย์ที่แบบว่าอ่ะแบบเริ่มตั้งแต่อายุแบบ เริ่มตั้งแต่ตอนพระอาจารย์รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะพระอาจารย์ความจริ ง, งจิตของเราไม่มีอายุหรอกมันอีอายยุเป็นที่ร่างกายนะแต่ความรู้ธรรมะเลยมันอยู่ในจิตของเราแต่ละคนสะสมมามากน้อยไม่เท่ากันอ๋อค่ะอาจารย์ก็ไม่ว่าจะอยุไหนร่างกายมันก็ มันก็เป็นเวลาที่เริ่มตนน้นได้ทุกทุกสําหรับทุกคนนะอย่ามากังวลกับอายุของร่างกายว่ามากไปน้อยไปมันก็มั ก, มก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกคนดูที่กําลังใจเราว่าใจเราพร้อมที่จะปฏิบัติมาก น, ะน้อยเท่าไหร่ก็เริ่มไปเลยค่ะค่ะอาจารย์สู้ต่อไปค่ะครับค่ะขอยพระอาจารย์ข้าขันแข็งแรงค่ะพระอาจารย์ อาจารย์พรมมิายอาจารย์พมครับเป็นักลนหับวาเลยนั่งคอพับเลยับนวสักการ์กลับเมื่อไหร่วันนะเกอบทิตแล้วครักลับมาตั้งแต่วันที่สิบครับเออไปพักผ่อนหยอนใจสบายใจไหมสองอาทิตย์ไม่คิดถึงอาจารย์เลยไม่ได้กลับนวสักการสองาทิตย์เออแต่ก็โอเคฮะ เดินตามทุกคนได้ยังแข็งหมเนะี่ยเรียกว่ายังเป็นภาวะก็โอเคไม่เป็นภาวะใชได้ก็อก็ดี้อทางจะชอบอยู่ต่างประเทศค่ะอากาศเย็นสบายเราได้เดินเยอะอะค่ะแต่ถ้าอยู่นานๆมันก็เบื่อยนะไง<ด>ใช่ที่ไหนก็ซื้อบ้านเราไม่ได้หรอ กลับถึงบ้านก็สงบเงียบดีค่ะเวลากลับเวลากลับบ้านนี่เป็นเวลาที่มีความสุขที่ส <c oughs> ุดในสวิตทอมนะใช่ค่ะได้นอนเตียงของเรานะคะอยู่ <c oughs> บ้านของเราอะไรเงี้ย <c oughs> ทำํำในได้ดาตามที่ตามชอบได้ก็แล้วแต่กิเลมันชอบหลอกเอยู่เนี่ยอยู่ที่นี่ก็อยากจะไปโน่นอยากที่ไปโน่นก็อยากจะกลับมาที่นี่ <c oughs> วิ่งตามทีเลสให้ทันค่ะอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นให้มันมีความชุกนะค่ะให้ทำให้ดีที่สุดในทุกเวลาขให้มีความชุกทุกสถานที่ค่ะใช่ทุกเวลาอาการิี้โกเดี๋ยวที่นี้ได้เห็นหน้าอาจารย์บ่อยในทีวีได้ยินเขาเขาเขาชงสารอะไรเขาเขชง ห้าห้าวันนะเราก็ใส่บาตอะไรเงี้ยเราได้เฝ้าดูเฝ้าฟังทุวันแบบวันนี้ดีเลยนะคะวันนี้ได้นั่งนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิด้วยกันเลยอ่ตอนนี้ฝนตอน้ฝนตกหนักเลยเลยทุกโอกาสนั่งได้ด้วยค่ะพอเวลาพอถึงเวลาก็ผนมก็หยุดพอดีใช่งงมากนะคะว่าพี่พระอาจานท์จะนานสักเท่าไหร่เพราะว่าเรานั่งไปแล้วก็นึกว่ากำลังแบบจะ สบายๆเลยติกขึ้นมาอา<ม>จารย์เริ่มละพบเวลาพอดี<ม>อ่ก็ดีจริงๆริง จ, รงจรงหรือว่าฝนตกมันก็มาทำให้คนซึ่งถ้าติดตามฟังสีห้าวันมาแล้วนะคะ<ม>ก็ได้เวลาที่จะต้องนั่งสงบเ<ม>งียบแล้ว เ, เราก็ไม่ยุกยิกแล้วทำตัวเองให้มันสงบจริงๆอ่ะดีดี<ม>ด ดีไหมถ้าฟังเท่ถ้าครึ่งหนึ่งแล้วนั่งสมาธ<ช>ิตอนครึ่งนึงใช่ชอบอ่ะดีะมันรู้สึกแบบอืเงียบมันนิ่งอะ่ะเพราะว่าเวลาเราฟังแล้วเราก็พยายามเท่าชั่วโมงหนึ่งเราฟังแล้วเราพยายามตามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะวันนี้นวันนี้<ๆ>จังหวะมันดีฝนตกด้วยฝนตกแล้วรนอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ได้เสียงฝนมันก็เลยไม่มีอะไรมารบกวนค่ะแต่อยู่ทางบ้านไม่ได้ยินเสียงฝนนะคะ ไม่ได้ยินเสียงแต่เงียบสมบดีเลยชอบเลยฮะจริงๆอาบารยาจะแบ่งเวลาเป็นสองสองส่วนพูดสักครึ่งหนึ่งนั่งสักครึ่งหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้กำลังมันก็จะน้อยลงหรือว่าอาจารย์แบบเสกพจนมาแบบห้าวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยขอพักขอพักหน่งหนยขทข้งวันก็เทคกันงคืนก็มีซูม ก็ไม่็นไรก็พอพอพูดได้แต่ว่าอันนี้อาจจะรู้สึกพอเกือบจะสิงชั่วงก็สึกว่ามันเริ่มจะแผ่วนะกําลังมันจะแผ่วลงอพราะว่าเทศมันต้องคิดเหมือนอชั่วโมงหนึ่งนี่นานนะคะชั่วโมงหนึ่งนี่ยสําหรับก็เป็นอาจารย์เน็เชอร์เท่านั้นห้าสิบนาทีเองในใชใช่นกถึงตัวเองตัวเองเข้าคลาสสี่สามชั่วโมงอะ ประมาณชั่วโมงเสร็จๆก็พัก1ิบนาทีแล้วก็เล็กเชอร์ต่อหรือไม่ก็ทำเคสอะไรงเงี้ยสมัยสอนน่ยนะคะพระอาจารย์เมื่อวานเนี้ยที่สูมต่างชาติเนี่ยพระอาจารย์คุยคือคนต่างชาติเริ่มเข้าอินในจิตของเขาเยอะขึ้นน่นะคะที่พระอาจารย์บอกว่าตั้งแต่พระอาจารย์บวชมาพระอาจารย์ไม่ได้ฉันใช่ใช่เขาแบบทุกคนก็ ซึ่งมากเลยแกปวดแกไขถามว่าเป็นไข้ทำยังไงอะไรย่างเงี้ยก็อยู่กับมันไปใจไม่เดือดร้อนได้างเปดูเบกขาได้มันก็ไม่ต้องกินยากแก้ปวด<ะ>อยู่กับความปวดได้เพราะมันฝึกนั่งกับทุกขเวทนาปวดมากกว่า น, นี้มาก่อนแล้วใจมันรู้จ<ะ>ักวิธีปฏิบัติกับความปวดพอเจอความปวดมันก็เฉยเฉยไม่ไปสร้างก็ไม่ไปสร้างปัญหาความอยากให้มันหาย ไอ้ตัวที่ทนไม่ได้คือความอยากให้มันหายนี่ยมันไปสร้างความตึงเครียดให้กับใจอีกชั้นหนึง่งถ้าเราไม่มีตัวนี้แล้ว เ, เราอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่างสบายที่มันอยู่ไม่ได้เพราะอยากจะให้อความความปวดนี่หายไปมันก็เลยไปสร้างความเครียดขึ้นมาอีกชั้นหนึง่ง <c oughs> อยากเพราไม่ต้องการมันพอเจอมันเย้เลยไม่เอาอยากให้มันหายมันหายเลย <c oughs> อันนี้เป็นตัวที่สร้างความเครียดให้กับใจ ถ้าไม่มีความเครียดใงใจแ่้นอยู่กับอะไรก็ได้หมดใจเราเนี่ยทุกคนที่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆนะมันอยู่ไม่ได้เพราะความเครียดที่ไม่อยากจะอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆอะไรอย่งนแต่ว่าพว อ, อย่างพวกเราไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงระดับนั้นก็เป็นอะไรขึ้นมาก็มาก่อนแหละอายาก่อนเล ย, ยกินยาใช่ใช่ ก็เวลาบางทีไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดมาแต่เราบอกไม่ต้องยาแก้ยาแก้ปวดไม่ต้องก็ได้เพราะไม่ได้ฉันนะแต่ยาปฏิชีวนะบางทีเป็นเป็นมีติดชื่ออะไรี้ค่ะก็ดีเนี่ยธรรมโอสถในวิเศษอย่างเนี้ยแล้วทําให้เราไม่ต้องไปพึ่งยาแก้ปวดมันจะได้ไม่ติดด้วย คน<ช>นี้มีปัญหาว่าพอปวดบ้างก็หายาแก้ปวดกินกินไปกินมาไปติดยาแก้ปวดอย่างนี้ส <g ül> มัยก่อนเขาขายทาใจมาท่านใจสมัย <ทำ S 1> เราเด็ก<จ>ๆนะั้นท่านใจทาเราก็แบบติดกันไปเลยกลายเป็นยาโดวไปแล้วใช่พวกนี้เหมือนเป็นยาเสพติดยามั้ะโอเคมีอะไรไหม ไม่อะค่ะก็รักกิเลสไปชั่วขาวกิเลสเที่ยวนะคะบวกกว่าคนข้างๆก็ชักไปแล้วสุขภาพดีเขาเราก็กลัวเหมือนกันว่าไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าลื่นเลยมากแก้การซึมเศร้าไจเลื่นเลยมากทานได้อยู่สบายแล้วก็ใจเกือปีกว่าไม่เคยอยู่ที่อานาน่างนี้ แต่ร้อนไม่ได้เนี่ยนะคเพราะร้นอนร้อนแล้วเขาหัวใจเขาเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีปัญหาโอเคโอเคนะพยายารักษาสุขภาพให้ดีน ะ, ะผมประกาศพระอาจารย์ในในในรางวันเนี้ยค่ะโอเคไปที่เชียงรายต่ อ, อ ค, คุณเองคุณเองในสัตชิกเนี่ต้องตั้งสมเด็จในสัตชิกน้งการวสการพระอาจารย์ครับผมอืมก็ รู้บ่าว่านในสัตยิชี้นี่เป็นทุดดงครับวัดนะถือในสัตย์ชีนี่ถือได้ปฏิบัติทุดดงนะครับผมก็ช่วงนี้ยังยังไม่ได้ปฏิบัติครับอาจารย์ก็กะว่าวดเดี๋ยวรอช่วงเข้าวันเสาร์ครับอาจารย์ครัครับผมจริงใจก็อยากปฏิบัติอยู่แต่ว่ามันทํางานแล้วก็มันมบางทีมันเหนื่อยอะครับอาจารย์ไม่ได้ว่าพักผ่อนพอนะมันต้องใช่ครับ ครับถ้าก่อนวิ่เพีพอเวลานั่งไปบางทีมันก็เผลอหลับเลครับอาจารย์ก็มีอยู่ครับเวลาเวลาเวลาถือในสัตย์ที่นี่คือสามอิเลียบทใช่ไหมครับผมเดินยืนนั่งไม่นอนใช่ไหมครับไม่ไม่นอนครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่นอนถ้าจะหลับก็หลับในท่านั่งครับผมใช่ครับเมื่อทีเมื่อทีถ้าทําเปลี่ยนอิียบทมานั่งมานั่งแล้วก็บางทีก็พิงหลัง ไม่มีหลังบนมานั่งก็มีมีงีบไปบ้างครับอาจารย์ครับอืมใช่แต่ก็นอนงีบไม่นานถ้าถ้านอนนี้มันมานานไปเลยยาวเลยครับผมถ้างีบอย่างมา ก, กชั่วโมงนึงก็เดี๋ยวก็ออกคอผ้ามันมันไหวนะมันก็มันก็แตกขึ้นมาครับส่วนใหญ่มันจะมันจะแบบลงไปข้างหน้าครับ ม, <laughs> มันจะปวดหลังนะครับรู้สึกปวดหลังก็โตายแล้วต้องเปลี่ยนออกมาเดินหรือว่า เข้าน้ําเปลี่ยนเรียบทครับอาจารย์ก็ดีเป็นการพละมารติเลหความเกียดข้างความว่องเราเอานอนทำพระพุทธเจ้ไม่ได้เก่งนะมีอุบายวิธีการปฏิบัติเยอะแยะเลยหมดครับมทุ่งนี้ก็สิบสามข้อนี้ก็เป็นวิธีปากติเล่ไหมครับผมบไปศึกษาทั้งสิบสามข้อบ้างทนะุ่งตรงเาว่าี้ เดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับแต่ก็จดจําได้อยู่ครับพระอาจารย์ทําอืบก็ฟังเทศพระอาจารย์ก็จดจําได้อยู่เหมือนกันนะครับอืึ่มือเดียวในบานชั้นนั้นเดียวเิ็นตาบดเป็นวัดปิจวัตรครับแล้วก็อยู่ตามป่าอยู่ตามคนไม้ใชาผ้าบางสกุลใช้ของเก่าใช้ของป่าพวกที่บ้าเหินแบรนด์เลนทั้งหลายเนี้ยได้ไป อยากจะซื้อเสื้อผ้าบีซาเซอะไรนี่ก็ไปซื้อที่บางสกุลมาใส่ดูบีซาเซไม่ใช่ไหมครั บ, ร บ, บใช่ครับเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็ใส่ก็ติดแบรนด์ติดลายหยุ่มกันนะครับแต่ตอนนี้ อ, อะไรก็ได้ครับก็ใส่ขอมันใส่แค่แค่มันได้ใส่ห่อแล้วครับน่านกานแล้วมันก็เหมือนสร้างศพดีๆนี่เพียงแต่ยังไม่ยังหายใจอยู่ทนั้นเองใช่ไหมแล้ว เื้อผ้าเสื้อผ้าราคาแพงแพงมาหอ่อศพทําไมไม่เ <c oughs> สียเงินเช็เทองมาหรือ่า <c oughs> ครับผมครับเพราะยังไงมันก็ส่งกลิ่นเหม็นมาอยู่แล้วอะครับมเนาะกินเหม่อกินอะไรออกอล <c oughs> ใ, <ช>ในร่างกา ย, ยร่างกายคนเป็นคนตายมันต่างกันที่ตรงไหน ม, มันก็ต่างกันที่ไม่มีลมหายใจ <c oughs> ครับผมครับใช่ครับ เ, เอาเงินทองไปซื้อเสื้อผ้ามา เป็นราคาเป็นแสนเั็นอะไรมามาใส่ทำไมน ะ, ะเอาเงินไปทําบุญดีกว่าได้ความสุขมากกว่าครับผมนคนไม่เคยศึกษาธรรมะก็จะไม่เข้าใจดูกี้เลรหรอกโอ้ยต้องใช้ของแพงๆต้องใช้ของหรูหราแล้วเราจะมีเสน่ห์เราจะมีคุณค่าราคาครับ<ะ>แต่ไม่เคยมองความจริงของท า, าขงของตัวเองงานของตัวเองก็คือรสร้างสศพที่เดินได้ดินนี้อยู่ดีๆนี่เอง ครผมใช่ไหมครับใช่ครครับใช่ครับนอ้คพระพุทธเจ้าในชตรเองครับสุดยอดเลยเะสุดยอดของมนุษย์เลยครับมนุ้เลยกิเลสตงยอมเลยิเลสตองยอมพระพุทธเจ้าครับมนุษย์เทวดาทั้งหลายนี่ก็นับถือพระเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับมสัทธาเทวมนุษย์สานัง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับผมก็ก็พยายามปฏิบัติไปครับอาจารย์ครัก็เหมือนกับอาจารย์เทศไว้นะครับว่าเออเกิดมาอีกที่พัวิชาติก็ยังไม่รู้ว่าจะได้มาเจอครูศา ส, สนาหรือว่ามาเจอพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับอย่าเป็นไก่ได้พลอยไก่ม่นะฮะอาหารนะมันก็คุย้ยเคี่ยวฮะตัวนอนตัวไส้เดือน พอไปเจอเพชรพลอยมันก็เขีย่ยทิ้งเขียทิ้งก็คนที่มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเขีย่ยทิ้งก็เหมือนเจอเพชรแล้วเขีทิ้งไม่รู้ว่าคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่าราคายิ่งกว่าคาสิโนเอ่อรู้สึกชอบหา <c oughs> กาสิโนกันเหลือเกินมัน <c oughs> ตัวนอนตัวนอนตัวไส้เดือนนะี่คือคาสิโนะใช่ครับ คําสอนพระเจ้านี่เป็นเหมือนทพชรพอยเกียยทิ้งหมดเลยไม่เอาเไม่สนใจศึกษาเลยไม่ไม่ค่อยดีนะลูกนี้เราสมัยปัจจุบันนี้แ้วก็มีมีไก่ไก่ไก่ที่ได้พลอยน ะ, กะเกลียยทิ้งหมดเลยโยนทิ้งหมดเลยยาวแต่ยาแต่ตัวหนอนตัวใส่เดือน อันี้แหละอำนาจของโมอหะข้ามหลองมันสะมารถมองกระจตาปัดไม่ได้เห็นกงจากเป็นหดองบัว น, นี่ก็บอกเห็นนั้นอกเป็นสวรรค์นะครับผมก็ผมเองก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าครับอาจารย์ออืก็อยู่กับลมหายใจไปครับอยู่ไปก็ลมหายใจก็หายไปเราก็รู้อยู่ว่ามันหายไปก็อยู่กับ ไม่มีอะไรนะครับลมไม่มีก็อยู่ที่มันไม่มีลมนะครับก็สักแต่ว่าลูไไปครับอาจารย์ครับไม่เราจำลมไม่ได้มันละเอียดไปครับครับมันจะละเมอียดไปจน <scri> ไ, ไม่มีเลยครับอาจารย์ครับก็รู้ต่อไปรู้เฉยๆอย่าไปคิดปรุงแต่มแล้วจิตก็จะรวมสู่กลางสงบครับถ้าทำไม่มันไม่รวมก็มันถอนออกมาก็ก็ขับิ่มต้นใหม่ครับ ต้นไหม่ก็ครับผมก็มาดูร่างกายมาดูร่างกายตัวเองดูกระดูกตัวเองครับอาจารย์ครับตั้งแต่หัวลงมาเลยครับออืหัวลงมาไล่ลงมาจนถึงเท้าครับอาจารย์จนถึงเท้ามันก็สงบเข้าไปอีกนะครับอาจารย์ยังไม่ได้ไล่ขึ้นมันก็สงบเออผมก็สงบผมก็คอก็ปล่อยให้มันว่างอย่างนั้นครับอาจารย์ครับนี่ครับผมพ็ปฏิบัติอย่างนี้ครับวนไปครับกลางวันก็ เจริญสติไปครับพระอาจารย์ครับอเดินไปก็อ่าขวาพูดขา้ายโทรเวลาเดินครับอาจารย์เวลาขับมอไซค์ไปเวลาจิตมันแวบออกไปก็พูดโทรทำโมสังโกมสังโกครับดูขับไปโวยขับไปด้วยครับอาจารย์ครับก็ปฏิบัติอย่ตงนี้ครับอาจารย์ครับโอเคครับผมระห่มก็ไม่มีอะไรครับเข้ามาร่วมรับฟังครับอาจารย์ครับขอพระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงครับผมอสาธุครับ อคุณหมอภาสนะต่อย้ายบ้านเนี่ยในห้องนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนไหมอ๋อไม่ค่ะมาสองลูกมารายงานตัวค่ะอลูกจบแล้วค่ะมารายงานตัวก็เลยมาด้วยกันเนี่ยค่ะที่หนุ่มก็มาอาปูนรับประสบการณ์พระจันท์ครับรายงานตัวที่หมอมาอะไรนะอ๋อที่ค่ายสุดท้ายในเรศวรอาปูนเนี่ยค่ะไม่เห็นภาษไม่เห็นเนี่ยค่ะที่ค่ายค่ะอยินดีแสดงความยินดีด้วยนะบันทึกไว้ เดี๋ยวจะพาไปฝาพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าเขาจะได้เขาจะได้แบบว่าเออรู้สึกได้ได้บุญแล้วค่ะทํางานหมอเองก็สบายแล้วพระอาจารย์ไม่ไม่หมอทั้งบานเลยพ่อก็หมอพก็มอแม่ก็หมอลูกก็หมอค่ะมีคุณตาน้องสาวด้วยมีอยงชิมเดียวแต่ก็ดีนะค่ะเพราะว่าตัวเองก็ชอบสมัยก่อนตอนที่อยู่ก็ชอบอหน่วย พาเด็กไปอ่ะแป้งกระปุลเนี่ยไปเอาหน่วยด้วยตลอดเนี่ยไปเอาหน่วยทิ้งเขาอะไรอย<ม>่างเงี<ม>้ยค่ะเขาก็ชอบก็ก็คือจะโดนมากราผ้าอาจารย์เพราะว่าตัวเองก็ปฏิบัติตลอดเนะะี่ยค่ะแล้วก็พี่หนุ่มก็ปฏิบัตินั่งได้มากขึ้นดีขึ้นเลยะคะ่ะแล้วก็ได้อ่านหนังสือยิ่งแบบวงคชีวิตสุสัยประการแบบพักหรืออ่ะของพระอาจารย์อะไรพระอาจารย์คุณาจานทร์อะไรเนี่ยของพระองค์ปู่มั่นเนี่ยรู้สึกยิ่งยิ่งแบบ อ่านยังไม่จบดีนะแต่ว่ายิ่งอ่านแล้วยิ mm ่งแบบรู mm ้สึกดีมากๆเลยค่ะอาจารย์มันยิ่งลงมาลึกลึกขึ้นลึกขึ้นค่ะอาจารย์เราตั้งใจปฏิบัติตลอดนะค่ะอาจารย์พยายามอยู่กายรักษาสติตลอดแล้วก็นั่งคนนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าจริงๆพอนั่งมันก็มันก็เหมือนจะอยู่ธรรมดากัรนั่งอ่ะมันก็คือมันก็ลงได้ค่ะอาจารย์ก็รู้สึกดีค่ะอาจารย์แลสงบมีความสงบโอเคให้มีความสุขกับการภาวนา จะได้ไม่เป็นสนใจกับเรื่องอะไรนะว่าลแห่งธรรมจะนะับลดทางปวง <c oughs> ขอบคุณมากคพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวหาวันไปกลับอาจารย์นะคะ อ, อคุ ณ, คณสุภัตตาต่อเป็น ไ, ไงตรลงงานใหม่ได้ไหมยังไม่ยังรอกจับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกได้งานใหม่จะเริ่มทําเออเริ่มทำพิษสภาเป็นที่หนึ่งพิษสภานี้เจ้าค่ะ ที่มหาวีทยาลัยเจ้าคะ่ะเป็นอจาจย์เป็นบบอาจารย์นะเป็นบบอาจารย์สอนเจ้าค่ะสอนอยู่ภาคออยู่คณะครุศาสตร์ <c oughs> สาขาปรถมศึกษาเจ้าคะ่ะรับภาษาไทยและสอนภาษาอังกฤษเออลูกยังไม่ทราบเจ้าคะ่ะก<ม>็ยังไม่ได้ทราบว่าเขาจะแบ่งภาร์งานยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปพิจาราวันที่หนึ่งเจ้าค่ะ แล้วค่ะแต่เป็นหลักสูตรภาษาไทยใช่ไหมก็ใช้ภาษาไทยสอ น, นภาษาไทยภาษาไทยเจ้าค่ะเจ้าค่ะภาษาไทยท่าน<ะ>ต้องสอนภาษาอังกฤษ ใ, ใช้ภาษาอังกฤษสอนทํำใช้แล้วทำได้ไหมเคยเคยสอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าเคยเคยสอนภาษาที่ที่อ่าที่ลูกลูกเด็กจบอะไรที่ไหนเจ้าค่ะอแล้วค่ะลูกเคยสอนลูกจกสาขา สัพเพนะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คือเขาให้ลูกทำที่าารรทสาขาปฐมศึกษาไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีหลักสูตรการศึกษาพิเศษก็เดี๋ยวลูกเข้าไปช่วยช่วยเขาเขียนหลกัล ก, ลกสูตรหลักสูตรของการศึกษาพิเศษะคะ่ะนี่เป็นคุณประโยชนะ <laughs> น์มาก <laughs> ชี่ไมยใ<ำ>ช่เ ร, ราไปที่ไะ เล้วค่ะก็ก็รู้สึกดีใจดีใจที่ว่าก็ก็ได้ไม่เป็นภาระคุณพอ่อคุณแม่มีเงินเดืใช่ ม, ใมีเงินเดินใช่ก็ได้ก็รู้สึกให้เขาบอกว่าไม่ไม่กังวลใจกับเราก็ก็ดีเจ้าค่ะก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อไหร่ที่ใช้ยนี่ทางโลกหมดก็ได้ถึงตาตาตัวเองสักทีเจ้าค่ะ เล้ค่ะ ก, ก็ใช้ความรู้ที่พระอาจารย์ต่างสอนก็มาใช้ในทางโลกแล้วค่ะก็อยู่กับทางโลกอย่างไม่เป็นทุกข์พยายามอยู่ไม่เป็นทุกข์้็ค่ะเป็นอาจารย์ก็ต้องมีความเมตตาเป็นพื้นฐานนะอย่าไปกดกิเด็กเวลาเด็กเขาไม่สนใจมาฟังเมื่อไหรแล้วค่ะ ดีโอเคเินดีด้วยมีอะไรไหมทางธรรมะไม่ไม่มีแล้วคะ่ะเหมือนเดิมใจทุกข์ขออาจารย์ไม่อยากทุกเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยที่จะทุกเลยไม่ทุก <c oughs> อะไรก็ได้จเจคุณแดเนี่ยลกลับไปแล้วหรม่ยังอยู่อ๋อคุณแดเนียลตอนนี้กับอเมริกาเจ้าค่ะกลับไปได้สักพักหนึ่งเขากลับไปเคลียร์ทางนู้นเจ้าคะ่ะอก็เขาตั้งใจที่จะขายบ้าน แล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินการขายบ้านคือเขาบอกว่าวันเสาร์นี้จะเป็นเฮาส์เรจะค่ะแล้วก็แผนจะกลับมาเมืองไทยหน้าจากกรกรกฎาวันประมาณเดือนกรกฎาเจ้าค่ะจะย้ายไม่หยุดเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเขาเขาตั้งนั้นแล้วก็แล้วก็รู้สึกก็จะหาที่บ้านบ้านเออบางบางสเลเจ้าค่ะอยู่ใกล้ๆว่าหน่อยนะ ใช่เจ้าค่ะเขาตั้งใจตั้งใจตอนนี้ก็เลยกลับไปแล้วก็กำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่จะขายบ้านแล้วก็ขายที่เขามีอ่ะเจ้าค่ะเพื่อจะมาอยู่ไทยเขาตั้งใจจะมาอยู่เมืองไทยมากๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะระ่ตอนนี้ยุ่งอยู่เพราะว่าคงจะสำเร็จตามที่เขาปรารถนาเจ้าค่ะเขาตอนนี้เขาก็บอกว่าเขากำลังซ่อมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาถ่ายรูปบ้าน วันพิรรหัสแล้วก็เปิดโอเพ่นเฮา์วันเสาร์แล้วก็หลังจากนั้นถ้าขายได้ก็ตามแผนทุกอย่างเจ้าคะ่ะแล้วเป็นซิงเกิลแล้วเขามีครอบครัวไม่มีเขาหยาเจ้าคะ่ะวันนี้เขาซิงเกิลใช่เจ้าคะ่ะใช่คะ่ะตอนนี้ก็เป็นอขังอยากอยากเจ้าคะ่ะเพราะว่าเขาบอกเขาอยากเกษียณอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เขาบอกว่าเขากลับอเมริกาคือเขาอยู่อเมริกาเขาบอกว่า มันทําให้เขามีความรู้สึกว่าอ่าเขาเขาใช้คาว่ามันทุกข่อะเจ้าค่ะแล้วก็โกรธง่ายเขาบอกว่ามันกระตุ้นทําให้เขารู้สึกการเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าค่ะแต่ถ้าเขาอยู่เมืองไทยเขารู้สึกว่าเขามีความใจเย็นขึ้นแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจกับการอยู่เมืองไทยเจ้าค่ะเขาก็เลยยินดีชอบที่คือเขารู้สึกอยากจะขายทุกอย่างที่อเมริกันแล้วย้ายมาอยู่ไทยเจ้าค่ะ ก็เลยตอนนี้ก็ยุ่งกับการขายของขายบ้านขายซรัพย์อกันค่ะเจ้าค่ะก็ก็หวังว่าหวังว่าความตั้งใจของเขาจะทำให้เขาหาทางออกเขาเาก็แถวบางเฉลียวัดมีอะไรอย่างนี้ด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ได้ใกล้พระอาจารย์นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะอยากจะมาเจ้าค่ะนะคะโอเค เจา้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์เจ้คะ่ะจนไม่มีขามเจ้วคะ่ะไปที่นาราที่ว่าคุณอกษาจังหวะ น, นี้น่าอันตรายนะต้องปรวกันนิจังบ่อยๆวันทุกวันนะนี่วัฒการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์พูดอย่างนี้นะคะโยมเจอเมื่อเมื่อเมืม่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโยมปกติโยมจะปิดร้านห้าโมงครึ่งแต่วันนั้นทํางานเพลินค่ะจนหกโมงหันดูฟ้ามืดแล้วก็ออกมาหน้าร้าน มันมีรถยน์จอดอยู่นะข้างๆร้านนะคะจาย์แล้วก็เปิดไฟแล้วก็ติดเครื่องป้ายเป็นป้ายมาเลเซียจวงก็บอกว่ารถใครมาจอดแล้วก็ไม่มีคนขับนะคะจอดทิ้งไว้เฉยๆจวงก็เริ่มเริ่มกลัวแต่คําพูดของจามแบบว่าถ้ากลัวแสดงว่าไม่มีปัญญาอยู่มะอ่ะถ้าจะตายก็ตายกัยกบพูดโธก็แล้วกันก็พูดโทไปพูดโทไปเรื่อยๆค่ะปิดร้านปิดร้านแล้วก็บอสไซโยงก็จอดอยู่ใกล้รถยน์เขาอะคะ่ะ โยงก็พุโทโธพุธโทโธถ้าจะตายก็ตายไปกับพุโทโธก็ไปเอามอเตอรไซคขับกลับมาขับไปแล้วก็ไปจอดอยูย่ระยะไกลๆค่ะปรากฏว่าเจ้าของรถจอดรถทิ้งเอาไว้ทิ้งแล้วก็ไปคุยกับคนประมาณร้อยเมตรค่ะอาจารย์ไปคุยอยู่ตรงโน้นนะคะโ<ม>ยงก็บอกอืม้มนี่บททดสอบค่ะแล้วก็วันที่ก่อนที่เข้าสูวันที่สองอะคะ่ะขณะที่สนทนากอาจารย์ตอนสามทุ่มก็มีปลาเบิดไตรถของทหารค่ะอาจารย์ แถ่บ้านโยมจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยะค่ะจาันเรวก็คือ ก, ก็ก็อยู่กับสติะค่ะจารย์อยู่กับความค่ะต้องอยู่กับมันแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะย้ายนะคะก่อนหน้านี้คิดจะย้ายแต่ว่าไปที่ไหนก็ตายต้ก็อยู่ที่นี่น ะ, ค, ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้โยมเหนื่อยนะคะจาันโยมก็ไม่ได้นั่งภาวนาแต่โยมจะใช้วิธีการอยู่กับอยู่กับ การทํางานแล้วก็อยู่กับพุโทโธแล้วมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้อารมณ์ไหนอยู่ๆก็อาการซีเมียอาการซีเมียพอวุฒสศพพอวางข้อลังมันขึ้นมาเป็นบทสวดเองค่ะอาจารย์เยมว่าอ่ะแบบนี้เราใจไม่อยู่กับที่หรือเปล่าพระอาจารย์บทสวดมันผุดขึ้นมาในใจยมก็ปล่อยให้เขาสวดไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆกับบทอยู่กับบทสวดค่ะอาจารย์มันก็น่าแปลกใจว่าบทนี้มาจากไหนไม่ไม่คุ้นค่ะอาจารย์มันไม่เคยสวดมาก่อนก็ได้ ถ้าอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาอะไรอาการซีเมียการซีเมแล้วมาจากไหนเนี่ยโยมก็ปล่อยเขาท่องไปค่ะอาจารย์ปล่อยท่องไปเรื่อยๆจนจบเป็นบุตรที่เขาสวดให้คนตายอ้าวแล้วโยมไปได้ไหมยาจิมิตาจากสักขาจาเม่ใช่ไมถ้าเวลาไปงานศพไปเวลาไปงานศพก็จะได้ย yes. so ินบทลยแล้วพระบางสกุลจะให้พรันจะให้บุส่วนนี้ โยมก็สงสัยโยมก็ปล่อยเขาเคาะเขาสวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะหยุดน่คะอาจารย์แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะอาจารย์เป็นเป็นบททดสอบของโยมเองคือวันที่สิบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่โรงเรียนใหญ่ในอําเภอโยมเขาจะจัดประชิมโยมยมจะต้องปีเป้าหมายคือต้องขายดอกไม้โยมเตรียมขายดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าโยมก็ขึ้นช่อไว้แล้วยังไม่ห่อกระดาษเดี๋ยวเขจะเปิดล้านใช่ไหมคะ ลูกศิษย์โยมโทรมาเขาเรีกยกโยมว่าแม่นะคะแม่ช่วยหนูหน่อยช่วยหอดอกไม้หนูหน่อยบอกเฮ้ยไม่ว่างจริงๆคุณไม่ทันช่วยหนูหน่อยลูกหนูร้องไห้แล้วเนี่ยบอก ain, ไม่ได้ไม่ได้ยังงี้คุณไม่ว่างไงโยมก็ปฏิเสธเขาปกติโยมไม่ปฏิเสธลูกศิษย์นะคะแต่วันนั้นคือแบบปฏิเสธไปเขาก็วางวางสายไปเสียงเครือเครือนนะคะโยมก็บอกเออเราปฏิเสธไปแบบนี้เราไม่มีเมตตาหรือเปล่า แต่งงานของเราโยมก็โยมก็เฉยๆค่ะจัดไปแล้วก็จัดร้านปรากฏว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์มาจอนหน้าร้านโยมค่ะพร้อมกับช่อดอกไม้ที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้หอ่อแล้วเข้ามาหาโยมโยมก็บอกอ่ะของเราไม่ได้ทําช่างมันเถอะช่างมันเถอะได้แค่ไหนได้แค่นั้นก็เลยทําให้เขาก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าเขามาตาบวมมาเลยค่ะอาจารย์โยมก็เลยห่อช่อดให้เขาแล้วก็โ ย, ยมห่อเสร็จเขาถามหนูว่าแม่หนูบาปหรือเปล่า บอกไม่ปราบหรอกคนเป็นแม่ทําเพื่อลูกได้เสมอแหละแล้วยงก็ทําให้เขาไปย้งโล ก, กอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องตัดความโลภในเรื่องของการค้าขายของเราออกไปแล้วเราก็ได้เมตตาเขามันเหมือนเป็นการวัดใจผ่ะอาจารย์ยมก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ยอมยอมที่จะตัดตัดในส่วนของเราค่ะอาจารย์ทําให้เขาไปถ้าเรามองแบบนี้ก็อืมก็ดีค่ะเมตตาล้วก็ได้ ไม่โลภค่ะจาันโยมไม่รู้โยมตัดสินใจผิดหรือถูกแต่โยมก็ทําไปแล้วค่ะอาจาันก็เดีทําได้กันเลแต่บางทีถ้ามันอยู่ในภาวะที่ทําไม่ได้ก็อย่าไปคิดว่ามันเราไม่มีเมตตาบางทีมันไม่มีเวลาหรือไม่มีใช่ค่ะโยม ก, ก็ต้องใช้อุเบกขาเท้าต า, ายหมาว่าช่วยไม่ได้อันนี้เราสุดวิสัยผายโยมปฏิเสธแล้วค่ะจารย์แต่เขาก็มาถึงหน้าร้านพร้อมกับโช่อดอกไม้ช่วยหนูนหน่อย เราวบรรจุปฏิเสธยังไงค่ะโอเคของโยมไม่ถ้าทำได้ก็เป็นพระเวสสันนนไปของโยมก็เลยหยกดอกไม้หนึ่งกระถางวิเช่ไว้ก็ยอมอทิ้งมันเสียก็ยอมทิ้งไปขอเราไม่เสร็จอช่างมันเถอะได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้อ้าเท่านั้นเองค่ะโยมก็รู้สึกว่าตอนแรกก็งุนงิดไม่เป็นไรมันเป็นอนัตตาเราแก้เขาไม่ได้เราแก้ที่เราก็ละกันก็จบค่ะอาจารย์ก็รู้สึกดีอยู่ค่ะแล้วก็ วันนี้ไม่ได้อยู่ในลาที่ว่านะคะมาหาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวลูกไปพบหมอพรุ่งนี้ครบสี่สิบห้าวันค่ะต้องมาต้องมาฟกแพทย์ค่ะจันแล้วก็ม า, มาลูกสาวมาแล้วมาตัวมาด้วยค่ะมามด้วยค่ะแต่รอเข้าคิวเพราะมีเขาอี้ตัวเดียวค่ะค่ะก็ขับรถมาจากบ้านค่ะมาที่นี่สี่ชั่วโมงแล้วก็กันหลับเมื่อกี้บริการโทรไปรตามอาเขาเข้าสูงเข้าสิจะเที่ยงเขาบอกจะทุ่มขึ้ น, นโอเคโอเคเดี๋ยวเขาทุ่มส้ง แต่ว่าโยมไม่ได้ภาวนาก็จริงนะระอาจารย์แต่โยมอยู่กับสติแล้วก็อยู่กับธรรมะของอาจารย์แล้วก็เวลานอนก็อยู่กับพุทโธค่ะอาจารย์โยมอยู่กับมันจริงจริงอาจารย์พงสร้ก็โอเคใช่ค่ะคือมันไม่มีโกรธนะคะอาจารย์มันมีเข้ามาปุ๊บหนึ่งโกรดมันอยู่ขึ้นมาปุ๊บหนึ่งก็เราก็ตัดไปได้ะค่ะอาจารย์รู้สึกก็ดีค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็รู้สึกเบาค่ะแล้วก็แพลนของโยมก็คือพิษภายโยมจะไปเขาฉี่โอนแลนะค่ะอาจารย์อ yeah. okay. สาธุค่ะเดี๋ยวลูกเข้าต่ อ, อค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะค่ะเก้อี้ดนตรีน้ำมัสกัดค่ะพระา <c oughs> อระจาจารย์เดียสยาเป็นยังไงอากา ร, ารเจ็ใกล้ได้ป่วยตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก่อนก่อนหน้า น, นั้นคือไม่ภาพไม่ออกเลยว่าจะแบบกลับไปทํางานต่อได้ยังไงมันมันร่างกายมันไม่พร้อมค่ะแต่ตอนนี้เริ่มก่อนหน้าน ท่นเนี้ยค่ะมันจะรู้สึกแบบว่ามีความกังวลแต่ก็พยายามตัดไปกับผู้โทรค่ะพระอาจารย์แต่พอคราวนี้พอ ร, ร่างกายแข็งแรงขึ้นมันก็รู้สึกสบายใจแสดงว่าลึกๆเราก็กังวลนะค่ะว่าจะกลับมาทํางานต่อได้หรือเปล่ามีอะไรคร้งครางคาไหมประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะร่างกายมันยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็ความกังวลก็ลดลงไปค่ะต้องใช้เวลาแล้วก็ให้ร่างกายอย่าเพิ่กลับมาสู่สภาพเดิมได้ ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีคำถามค่ะพระอาจารย์คือจริงๆหนูไม่อยากอยู่ในละาทิวาดเลยค่ะแบบว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ออกมาหาใจหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมีความสุขอะค่ะเพราะว่าอยู่อยู่ที่นู่นหนูรู้สึกแบบแยกอยู่เราเราเป็นเหมือนคนต่างด้าอยู่คนเดียวค่ะแทบจะ1้อยเปอร์เซ็นเป็นมุสลิมไปหมดแล้วบางทีเราถูกถูกเหยียดถูกรังเกียจไม่โดน มันกลายเป็นประชากรชั้นสองอะค่ะแต่ว่าก็เลยตอนเนี้ยค่ะคือมันยังไม่ถึงเวลาที่จะย้ายจะย้ายไปไหนอะค่ะหนูก็เลยก็คิดได้อย่างเดียวว่าเออก็ลองทำใจกับสภาพที่มันเราไม่ชอบถือว่าเป็นบทบททดสอบบทหนึ่งไปก่อนนะคะถือว่าเหมือนเราอยู่อเมริกาหรืออะไรแบบนี้ไปก็แล้วกันนะคะแต่จริงๆมันพอได้มาอยู่ที่หาดใหญ่มีคนไทยพุดอยู่เยอะหรือว่าไม่มัน มันรู้สึกสบายสบายใจกว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆอะค่ะมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมหนูก็ mm hmm. อยากย้ายไปอยู่ที่ที่มีคนพุทธมากกว่านี้เหมือนกันค่ะมันเป็นความทุกข์ใจมาตลอดเลยค่ะก็ะจะก็ฝรั่งก็ยังย้ า, ากมันจะเอาไมริกามาอยู่กรุงไทยได้แต่ถ้ามันจะย้ายจากราวไปอยู่อันใหญ่ไม่ได้ก็หนูก็วางแผนไว้อยู่ค่ะว่าคือตอนแรกอะอยากกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ ว่าเพราะว่าเราเป็นลูกคนเดียวแต่ว่ามันมันไม่ใช่จริงๆคือหนูรู้ตอนเนี้ยหนูทําใจแล้วค่ะว่าหนูรู้ว่าอยู่ที่นั่นนะมันไม่ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นก็หนูก็แต่ว่าค่อยเก็บเงินระ้ววางแผนอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าเรารู้สึกสบายใจกว่าแต่ตอนเนี้ยบางทีพอไปอยู่ท่ามกลางที่นู่นนะคะเขาเขากำลังเกลียดคนต่างศาสนาค่ะบางทีเรารู้สึกได้มันก็จะรู้สึกแบบกระทบมานิดนึงแต่ก็พยายาม ปล่อยว่านะคะแต่ว่ามันก็ปล่อยปล่อยไม่ได้มากค่ะทุกบางที ท, ท, ทุกทุกครั้งไม่มีความสุขอะค่ะบางทีต้องออดแอบขับรถไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ <ทำ S 1> ่ะก็ไม่เป็นไรพระเจ้าก็สอนในมงคลระสุดว่าให้หาสถานที่ที่อยู่ที่เหมาะสมค่ะที่ที่เหมาะกับเราที่เป็นมงคลไปอยู่แบบไม่มีปัญหาอะไร กแบบเที่จริงพอกลับมาจาับผ่าตัดนะคะบางทีพอกลับมาไปที่นรทธิวาเอาอีกแล้วที่จริงหนูก็ฝึกเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีสี่หกแล้วคะแบบออกมาอยู่กรุงเทพคุณพอ่อคุณหนูต้องฟังเมื่อก่อนมีซาวเบาค่ะต้องฟังข่าวป้นชั่วโมงตลอดว่าที่ไหนจะมีระเบิดหรือเปล่าอะไรย่เงี้ยค่ะแต่แล้วพอกลับมาจาับผ่าตัดนะคะกลับกลับบ้านไปก็เจอข่าวยิงกันอีกแล้วแล้วพออยู่อยู่ที่บ้านชอบมีงูเข้ามาหาหมาหมาที่บ้า น, นะคะ่ะ ทุกครั้งที่หนูจะนั่งสมาธิมันมีงูชอบจะมีงูเข้ามาตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วทำให้หมาหนูไม่ปลอดภยัยแล้วก็ตายไปกับเหตุการณ์นี้มันทําให้รู้สึกว่าอยู่ที่นั่นหนูไม่เคยมีความปลอดภยัยมีความตายทุกวินาทีเลยค่ะพระอาจารย์หนูรู้ึแบบหนูเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หนูต้องไปไปปฏิบัติธรรมที่ชมบุรีเพราะว่านั่งสมาธิที่บ้านก็จะได้ยินเสียงหมาเหา่าแล้วเขาก็จะไม่ปลอดภยัยเราก็ทําใจไม่ได้ที่จะไม่ออกไปดูมันก็ ไม่ตอนเนื่องค่ะก็จะค่ะหนูก็พยายามอยู่กับเรื่องนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยหารูปทางอีกทีกว่าไม่ต้องยอมก็ยอมรับความจริงว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าถึงเนลามันจะตายมันก็ตายได้ทุกที่เลยนะค่ะถ้าจะหนีความตายก็อย่างนี้ดีกว่าอย่างอย่างที่คุณแม่บอกที่ไหนก็ต้องตาย แต่ถ้าอยู่เพื่อความสบายใจะที่นี่ไม่สบายใจย้ายไปไ ป, ไปย้ายได้แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าที่ใหม่ก็อาจจะมีปัญหาที่เราอาจจะมองไม่เห็น อ, อยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีปัญหาทั้งนั้นนะถ้าเราไม่ทําใจเลยก็อยู่ยากใช่ไหมนี่ค่ะพระอาจารย์หนูจะลองเช็คหนักที่พระอาจารย์พูดดูนะคะอืม แล้วก็ช่วงช่วงนี้ก่อนหน้านี้อนั่งสมาธิอะไรด้วยท่าทางอะมันไม่ค่อยได้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็อืใช้ใช้ใช้พุทโธเอาแต่ช่วงนี้เริ่มกับเริ่มวางแผนจะกลับมานั่งสมาธิแล้วค่ะแม่งงแต่จะนั่งสมาธิจิตสงบไม่เอาเบค้าจะเปลี่ยนใจก็ได้ <c oughs> อยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอยู่ใกล้ก็อยู่ใกล้กลมากดึงเพื่อนมาก อยู่ที่ถ้าอยู่ไกลก็ต้องก็ต้องกลับมาเยี่ยมอยู่ดีอ่ะใช่ค่ะงั้นมาทํามาแก้ปัญหาที่ใจเราดีกว่าตั้งใจให้เราเป็นอุเบกขาแล้วก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เดี๋ยวลองลองทําให้เป็นอุเบกขาก่อนนะคะแล้วเราก็ทำมาห้าหกปีแล้วค่ะเรื่องนี้มันหรือว่ายําคิดยำทาก็มีแล้วค่ะว่ารู้สึกไม่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาเลยอะไรอย่างเนี้ยค่ะ เดี๋ยวลองลองดูใหม่อีกทีค่ะอาจารย์อโอเคมีอะไรไหมไม่ยังไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็พยับกลับมานั่งสมาธิใหม่อีกทีพยายามนั่งบ่อยๆแล้วใจจะสงบแล้วก็จะอยู่กับที่ได้สาธุ <c oughs> ค่ะอาจารย์อขอบพระคุณนะคะอาจารย์ไปที่คุณมาเล่มาเล่ได้ยินไหม อยู่คนพ่อค้าเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนพูดทักการเนี่ยค่ะรอพ่อกลับตั ว, วคอนโดค่ะอยู่คนเดียวแล้วอยู่กับครอบครัวก็ อ, อยู่กับที่บ้านนะคะที่บ้านก็มาด้วยกันเลยมาค่ะเวลาไปบางูทองก็ไปด้วยกันนะย้ายไปทั้งครอบครัวแถวตอนตอนไปบางูทอก็ไปค่ะเพราะว่าตอนตอนเนี้ยคนเขาเริ่มกับ เข้ามาที่คอนโดอะค่ะแต่ว่าที่ห้องหนูยังไม่ได้ยั่ได้ตั้งค่ะมันเหมือนรอคิวอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมีมันมีรอยร้าวเยอะนะมีมีค่ะหลวงพ่อเนี่ยค่ะหลวงพ่อเป็นเป็นอย่างเงี้อยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นไหนชัแปดคหลวงพ่อชัแแล้วกลัวไหมค่ะตอนนี้เฉยๆค่ะหลวงพ่อก็กลับ่ะ กับมาปกตินะคะแล้นที่มันจังหนูอยู่ที่ที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะหนูอยู่ที่ทํางานค่ะคือที่ทํางานแล้วพอพอมันหนูรู้สึกว่ามันไม่ปกติหนูก็พูดแค่ว่าพอดนไหวแล้วหนูก็เดินออกมาคนก็สงสัยว่าทําไมหนูเดินออกมาเฉยๆอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่ก็เดินเดินมาเงียบๆแต่ว่าคนอื่นเขายังเล่นยังอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะลง อยู่ชั้นหน้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่ออฟฟิศหนูหนูอยู่ชั้นเก้าค่ะแล้ว่ที่เดินออกมานี่ยหมายถึงเดินลงมาจากชั้นเก้าเลยใช่ค่ะเดินเดินตั้งแต่ชั้นเก้าลงมาชั้นหนึ่งอะค่ะเพราะว่ามันหวั่นเยอะแล้วอ่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็บอกคนอื่นด้วยค่ะว่าไม่ให้เข้าลิฟต์อะไรเนี้ยค่ะหลนงพ่อ<ม>ให้ให้เดินลงค่ะแล้ใจใจใจสั่งเนอะใจปกติค่ะ ใจใจมีเ อ, อ่อมีพระถามว่าแล้ใจไหวไหมหนูบอกว่าหนูไม่ไหวแต่จริงๆก็คือบางคนถ้าคือไม่ไม่ไหวหวันนหวหวห่นนะคะหลวงพ่อเขาเรียกว่าอะไรคะไม่หไหวรับค่ะค่ะหลวงพ่อหนึ่งแต่แต่ก็มีคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะหลวงพ่อเขาก็ตกใจอ่ะคือมันแตกตื่นอะไรเนี้ยค่ะหลวงพอ่อ ก็มีมีอยู่ด้านนอกคะยังคิดว่าตัวเองไม่สบายเฉยๆใ่ไหมคะหลวงพ่อหนูขอถ่าวมินท์นู้ค่ะคือช่วงที่เวลาสมาธิมันขึ้นสูงสุดนะค่ะหลวงพ่อมันจะไม่มีความคิดตงแต่งมาแล้วกายอ่ะค่ะมันจะแยกออกจากจิตเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้นะค่ะหลวงพ่อคือมันแยกกันอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟื่อนค่ะมันจะก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั่งกายหลวงพ่อคนหนูค่อยได้ยินเลยค่ะร่างกายมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแข็งตื้นไปใช่ค่ะหลงพ่อค่ะแล้วทีนี้ไอ้ตัวรู้เนี่ยค่ะมันเด่นมันเด่นมากเด่นชัดจนมือนมันเหมือนร่างกายเนี่ยมันแข็งมันแน่นมันจะปิดมันจะแตกเนี้ยค่ะหลวงพ่อ แล้วไอ้สภาวะตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันกว่าหนูจะข้ามสภาวะตรงเนี้ได้อะค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยแค่รู้เฉยๆอะค่ะหลวงพ่อมันก็เลยอยู่ได้แล้วจิตมันยังเป็นสมาธิอยู่อย่างนี้ยค่ะหลวงพ่ออันนี้เป็นวิธีที่หนูทำถูกกระเป๋าค่ะอยูเป็แต่ว่าเราต้องมาใช้ให้เกิดประโยเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องเอา ภาพที่เราเห็นนี่ว่ามาสอนใจว่าเนี่ยร่างกายกับเราเป็นคนละคนคนละคนกันอ ะ, อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเรามันมแยกเกิดการแบบเวลาออกจากสมาธิมามันก็กลับมามีกันออกมาแล้ ว, วอะค่ะหลวงพ่อมันผิดมนก็ยังแล้วใช้ปัญญาสอนใจแล้วเรากับร่างกายเป็นคนละคนกัน หนูไม่ค่อยได้ยินเลยอะค่ะหลวงพ่อยังยังไม่เข้าเครื่องหนูมั้งันนะหลวงพ่อนหนูขอยได้อ่าได้ยินไมเ้ได้ยินไมเอ้าไม่ได้ยินนะได้ยินไหมพ่ยันนะ ะ, ะได้ยินหคได้ยินเนได้ยินดแล้วเะ่ ทำไมหนูไม่ได้ยินหลวงพ่อเลยอ่ะอ่าใช่มันตอนต้นยังได้ยินอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ญาติาจจะไม่ดีก็ได้มั้งหงพ่อได้ยินหนูไหมคะหนูไม่หนูไม่ได้ยินเลยอ่ะค่ะอเราได้ยินเนาะคนิเวณได้ยินเราไหมได้ยินนะได้ยินครับอ่าใช่อาจจะมีไปนยเลอะเอ็ไอ้ลำโพงหนูเล่นเสียงหมดหมดแล้วอะข้าหลวงพ่ออืา ตอนนัได้ยินหรือเปล่าอาจจะเป็นสัญญาณไม่ดีก็ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ยินเลยค่ะคือเมื่อกี้ระบบของเขาติด ก, กับหูฟังไปแล้วนะฮะค่ะคือคือเมื่อกี้นี้ทางคุณมารีปดหูฟังออกนะฮะไม่ได้ปดบลูทูธออกนะฮะก็เลยจะไม่ได้ยินเรานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอขอถามอีกทีได้ไหมคะให้ให้ท่านอื่นไปก่อนหนูจะลองปรับอันนี้ใหม่คะ่ะโอเคโอเ ค, อ เ, คเอไปที่คนปูเป้ หนูไม่ได้ยินเลยหนูไปได้ยินไหมข อ, อมาส ก, การค่ะพระอาจารย์ได้ยินเจ้าค่ะอืมพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะได้ยินจ้าเจ้าค่ะพระอาจารย์ของโนก็ยังอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็จะกลับไปทํางานค่ะพระอาจารย์ยังรุยใช้พลังงานเต็มที่ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะพอดีหนูได้ฟังจนเรื่องของ การเจ็บปวดกายอ่ะค่ะพระอาจารย์ตอนช่วงผักกระโหลกเยอะๆะค่ะพระอาจารย์หลายรอบอะคะ่ะหนูจะชอบหนีเข้าไปอยู่ในสมาธิเพราะว่าไม่อยากเสียร่างกายเยอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนปวดอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลืมตามมาปวดเลยเราราก็เลยหาวิธีก็คือเข้าสมาธิแทนเพราะว่านอนบนเตียงนานอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยแต่พอหนูมาลุยปฏิบัติกับพระอาจารย์ ใหม่อ่ะคะ่ะแล้วก็ลุยอีกรอบหนึ่งหนูก็เลยว่าอ๋อที่หนูหนีหนี่แสดงว่าหนูไม่ยอมรับว่าเกี่ยวกับร่างกายอะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยพอหนูลุยปฏิบัติกับพระอาจารย์แล้วฟังธรรมอะคะ่ะเหมือนหนูก็เลยว่าอ๋อใจพอทิ้งกายไม่เจ็บปวดเลยนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยอยากรู้เนี่ยแหะคะ่ะก็เลยพาตาซ่อมอ่าเอาไปหน้าเนี่ยคะ่ะ เอากา้างเนื้อขึ้นมาเนี่ยค่ะเรื่องมุมปากเบี้ยวอะค่ะพระอาจารย์ล้างผาสมองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ขอยากแก้ปวดนะคะหนูก็เลยได้เห็นธรรมะโ อ, โอโสดโอของจริงจากการรีบปฏิบัติทางจากพระอาจารย์เนี่ยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ได้ตรงนี้เลยค่ะว่า <c oughs> โ อ, โอพระอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยเจ็บวัวดร่างกายปัจจุ บ, บันนี้หนูก็มาลุย ทำงานช่วยพ่อแม่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้กินยานะคะ่ะถึงแม้จะผ่าสมองเยอะคะอ่ะอาจารย์ก็ได้ของดีจากพระอาจารย์ด้วยค่ะได้ธรรมะสดๆแล้วมันก็ไม่ค่อยกังวลเรื่องความเจ็บป่วยของร่างกายเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์ยาแก้ปวดยาผ่าลาไม่จับเลยเจ้าข้าพระอาจารย์อืได้ของดีจริงๆค่ะพระอาจารย์ก็เลยกล้าบอกว่าโอ้ของดีจากพระพุทธองค์ผ่านพระอาจารย์มาได้ฟั้มทำแล้วลุยค่ะพระอาจารย์อืม เจอพะครูบาอาจารย์ภ้าสายปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านก็จะไม่ค่อยกินยากันเท่าไหร่ไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปหาหมอสนใจทำโอสถรักษาต้องใสา่ใจโอ้มีความสุขแล้วแบบลุยทํางานได้แบบพลังงานเยอะจนคนพ่อแม่เห็นแบบพอได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะกลัวหนูจะเป็นอะไรเพราะว่าเห็นผ่าตัดเยอะค่ะอาจารย์หนูบอกว่าอ้หนูสนุกมากเลยพลังงานหนูเยอะเจ้าค่ะอาจารย์ ได้ของดีจากการปฏิบัติธรรมมากมากค่ะเจ้าค่ะก็เลยกล้าทูดเลยค่ะว่าพระอาจารย์เพราะว่าหนูเป็นพยาบาลแล้วก็ประเมินผูป่วยด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพอตัวเองเป็นเองก็เลยได้อกของดีจากพระพุทธองค์หรือเจ้าค่ะพระอาจารย์อืก็เลยได้สัมผัสจากพระอาจารย์นี่แหละค่ะพระอาจารย์นี่แหลประโยชน์ของธรรมในพระคุณอย่างยิ่ง เราจิตใจของวกเราทุกคนนะคะน่าใจโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแล้ค่ะเดี๋ยวลองกลับไปที่คุณมาลีใหมได้ยินไหมคุณมาลีถ้าได้ยินก็เปิดไมค์พูดได้ได้ยินได้ยินแล้วค่ะหลวงพ่อเอ่าแม่ซาเป็นพ่ออะไรอหนูเลยลองเปลี่ยนเป็นใสใสเอาเอ า, เอาแบบเจ็บสายแบบเดิมเลยค่ะหลวงพ่อโอเค มีอะไรได้เมื่ม อ, ก, อกี้คือคือหนูถามถามหลวงพ่อว่าถ้ากําลังสมาธิมันขึ้นสูงแล้วก็มันไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วก็กายอะค่ะมันแยกแยกกับจิตอะอย่างชัดเจนเป็นก้อนเป็นแท่งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ตัวรู้อะมันมันเด่นชัดมากๆทีเนี้ยมันมีความแน่นแน่นไปทั้งล่างเลยเหมือนมันจะแตกอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูหนูก็เลยใช้วิธีว่า จะข้ามข้ามไอ้สภาวะตรงตรงนี้ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าถ้าถ้าเราเราทนไม่ได้มันมันจะหลุดออกมาจากสมาธิหนูก็เลยใช้ใช้ว่าเราแค่รู้เฉยๆเราเราไม่ต้องไปเรียก ว, ว่าอะไรอะค่ะเรอไม่ต้องไปไปไทำอะไรใช่ๆช่ชค่ะค่ะปล่ปปอยให้มันไปมันไปนิจจังทุกขรังหน้าตาค่ะ แล้วพอพอหนูแค่รู้เฉยๆแล้วปล่อยไปก็อยู่ได้อยู่แบบมีความสุขอย่างเนี้ยค่ะหลวงพอ<ช>่อแล้วแล้วจิตมันก็ยังเป็นสมาธิอยู่แม้กระทั่งเราถอนออกมาแล้วอะค่ะหลวงพอ่อมันมันมันก็ยังเป็นอยู่ทีนี้อพอหนูมาพิจารณาทางร่างกายคือหนูก็จะพิจารณาอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูจะมาะจะระลึกถึงที่หลวงพ่อสอนว่าให้พิจารณาตามความเป็นจริง แล้วพิจารณาถึงสิ่งที่มันไม่สวยงามมันเป็นอสุภะแล้วอันข้อที่สามก็คือว่าพิจารณาเป็นไตรลักษณ์หนูก็ไล่ไล่แล้วมันมันยิ่งเห็นความความจริงที่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วจิตมันก็จิตมันตื่นจิตมันไม่คือจิตมันสว่างอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็อยู่ได้จนถึงตีสองคือ ปกติมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วก็นอนนอนน้อยมากเลยแล้วทีเนี้ยญาติพี่น้องอ่ะเขาก็มาถามหนูว่านอนทําไมนอนนอนกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทําไมอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอ mm hmm. ถ้าถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันมีกําลังอ่ะมันมันไม่ได้รู้สึกอะไรกับร่างกายเลยหนูเข้าใจถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อหมายถึงถูกต้องถูกต้องค่ะ ก็ดีแต่ถ้าถึงเวลาที่ร่างกายมันเหนื่อยจริงๆมันก็จะมันก็จะบอกเราเองตอนนี้ต้องขอพักมาค่ะแล้วเอ่อพอพบเกิดอาการแบบนี้ค่ะหลวงพ่อความรู้สึกมัน เวลาเราเรากลับมาใช้ชีวิตปกติอะค่ะมันมันไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทุกข์มีสุขมันรู้สึกเฉยเฉยแบบนี้ค่ะหลวงพ่อหรือว่าเราไปทําบุญทาทานอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันไม่ได้รู้สึกดีใจเหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าถ้าเราช่วยได้เราให้ได้เราบริจาคได้ก็จะทําแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันยังมันไม่ได้ดีใจหรือว่า ปื้มใจเหมือนแต่ก่อนอย่างเนี้มันยังถือว่าเป็นเป็นบุญอยู่ไหมคะหลวงพ่อถ้ามันไม่ทุกก็เป็นบุญ ค, คือหมายถึงว่าที่เคยถือมันเป็นทุทบเอบบะขามันก็มันก็มันก็เป็นบุญอยู่ค่ะคือคื อ, คอมานึกถึงว่าถ้าถ้าจะได้บุญก็คือเราต้องมีความสุขใจปลื้มใจดีใจแต่ทีเนี้ยพอ ถ้าทำทุกวันไม่ได้ขาดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเฉยๆแต่ว่ายังทําอยู่ทุกวันแล้วก็แค่รู้ว่าเราเราอยากให้เราเรายินดีที่ถ้าเราช่วยได้เราบริจาคได้เราทําได้เงี้ยก็จะทําแบบเนี้ยมันไม่ได้มันก็เลยเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนก็เลยแค่ว่ามันมันยังเป็นบุญอยู่ถูกไหมคะหลวงพ่อใช่ค่ะวันนี้ก็มีประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อโอเค ทนันทีก่อนนะขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะขอบคุณ <Okay. S 2> พี่บอยด้วยค่ ะ, ะคุณอนิจทานเนะอนิทานไช่ไหมเราอ่านชื่อเป็นภาษาไทยสวัสดีครับนะ้ำมาชเสะการ์ครับหลวงพ่ออนิท า, านอะอนิจทานโอเคอมีอะไรไหมเอ่อ อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการแยกแยะว่าอะไรเป็นตัวชีวะนะครับว่าว่าสิ่งนี้เป็นกิเลสหรือว่าสิ่งนี้เป็นธรรมอ่ะ้ากิเลสมันก็จะร้อนใจก็จะร้อนใจก็จะทุกข์ถ้าเป็นธรรมใจก็จะเย็นใจก็จะสบายอ๋อครับก็คือถ้าเราพิจารณาจุดนั้นนะครับแล้วก็อยู่อุเบกขาโดยที่ว่าใจมันไม่ได้จะเพิ่มไปด้วยครับ มันก็อาจารย์นิ่งเฉยๆสักแต่ว่ารู้ว่าก็ก็เป็นธรรมไม่ได้เป็นกิเลสครับแล้วก็การพิจารณาถ้าตปุ่มพิจารณาธาตุ่ะครับแล้วก็มันเหมือนกับมีธาตุที่ปกติกับธาตุที่ไม่ปกติอ่ะครับเหมือนกับประมาณว่ามีเมฆกับท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆครับแล้วมันก็สงบไม่มีเมฆแล้วมันก็เหมือนกับดับลาบดับรอบไปเลยเหมือนกับเอาอกาศธาตุครับ ก็คือก็จะพิจารณาอยู่สองสองส่วนครับก็คือพิจารณาทาตุสี่พิจารณาสติที่อุเบกขาแล้วก็พิจารณาธาตุรูครับที่ที่มันไม่ไปเคลื่อนออกไปไต้ภูมิไม่เคลื่อนออกไปจับเวทนาครับก็จับมาที่เดิมก็จะพิจารณาอยู่รอบๆประมาณเนี้ยมีสติอ่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่ที่ตัวสติเพื่อให้ ให้ไม่หวั่นไหวจจะปฏิบัติประมาณนี้ครับก็ยังเป็นกา ร, การทําการบ้านอยู่เราต้องรองเวลาพิสูจน์ว่าเวลาเจอข้อสอบ mm. เราเองทําตามที่เราทําแบบที่เราทําอยู่ได้หรือเปล่าเข้าใจไหยอันนี้เรา mm. ไม่ยังไม่เจอเหตุการณ์อะไรมันก็เราก็ทําใจได้แต่ต่อไปเวลาไป เ, เจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราเราจะทำใจได้หรือเปล่า ต้องต้องคอยสังเกตดูครับช่วงนี้จะเป็นเป็นช่วงที่กลางจะเต็มตัวไปตั้งใจจะไปบวชสักที่อ่ะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมากราบอาจารย์ครับผมได้ถ้าต้องการจะมากราบก็ได้แต่เราไม่ได้ เ, <ล>เป็นคนรับบวชนะถ้าจะบวชต้องไป ต, ต, ติดต่อกับเจ้าอาวาสครับผม ก็ตั้งใจมากราบ่านสุบงคบอาจารย์าะว่าตอนนี้ตั้งใจจะไปที่ที่นั่งแล้วก็อเอ อ, อีกที่หนึ่งที่เล็งไม้ก็ที่ผู้สังโคแล้วก็อีกที่หนึ่งก็หินหมักเป้งครับที่เล็งไรไงอาจารย์พอดีเป็นวัดครูบาอาจารย์ทั้งนั้นครับแต่ส่วนใหญ่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้บวชนะแล้วเราต้องไปบวชจากที่อื่นมาแล้วก็ไปไปอยู่ เออพอดีเคยไปที่ภูสังโคูแล้วครับแล้วก็ที่งานเขาก็ตัดตัดบากเตรียมจีวอรอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับตอนกางวันาครั้งที่แล้วรูจกก้จักพระที่นั่นเลเออก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับเคยไปอยู่อาจารย์รับรับรับให้อยู่แล้วเตรียมอาถรรพบริการให้แล้วครับอาจารย์ท่านจะเป็นพระเ อ, อเป็นสง่งประธานส่งฆ์เฉยๆครับเพราะว่าอาที่นําหมู่ที่นั่นเขาก็เออ ภาวนาด้วยกันแล้วรู้สึกสบายใจครับครัที่นั่งเขาไปเตรียมปากเตรียมชีวาน์ไว้ให้แต่ว่าครั้งนั้นผมไม่ได้ไปบวชแค่นั้นเองอก็เลยคิดว่าเออที่ผู้สั่งโคก็น่าไทยแล้วก็ที่วัด่านันทารางสั่งวัดปราวอัอะไรสักอย่างเนี่ย น, น่าจะเป็นสาขาของวัดประวรลที่นั่งก็ตั้งใจว่าที่นี่ก็น่าสนใจแล้วก็กที่นี่นก็ที่หินมักเปงที่เล่งในไงครับดเดี๋ยวดูครับผม เมื่องไปทดสอบดูว่านะ่าจะเหมาะกับเรานะครับผมเจะกลับลาการครับโอเคอนุทน า, นาทอาธุไปที่เป็นยินดีต่อยินดีกลับถึงอเมริกาแล้วเหรอ้าท่านาอาจารย์คะถึงวันที่อะไรถึงนี่วันเสาร์ค่ะท่านอาจารย<า>์วันเสาร์ ในวันในวันพุธนั่นนะค่ะเดวิดก็กราบท่านอาจารย์นะคะว่าวันนี้ท่านอาจารย์มานะก็กราบท่านอาจารย์บอลชงเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ท่านลูกอยู่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงสุดท้ายก็เพราะว่าเดวิดเขาจะไปที่แคนาดาค่ะท่านอาจารย์ไปเออ่ทํางานที่นั่นสองวัน ลูกก็เลยตามไปด้วยค่ะท่านอาจารย์ขับรถไปค่ะอ่าท่านอาจโอเคก็เป็นทําหน้าที่แม่บ้านที่ดีนะถ้าช้านเท่าหลังก็ต้องคอยสนับสนุนทํากับคขอาวกับข้ากินใช่ไหมใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็ค่ะตามนี้ค่ะค่านอาจารย์เนียนเขาเรียนง่ายไหมเดเวนเน่เรียง่ายค่ะท่านอาจารย์ไม่ยากง่ากไม่อะไรเลยค่ะท่านอาจารย์สบายๆค่ะท่านอาจารย์เป็คนดีนะ เอางานเราการอย่างเดียวไม่เที่ยวเลยเนี่ยท่านอาจาย่ค่ะไม่ค่ะก็ดีอ่าท่านอาจารย์ก็โชคดีเป็นบุญของเราได้คนดีเป็นบุณของแม่ด้วยค่ะผองแม่ส่งปลาค่ะท่านอาจารย์ก็ก็อะขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะท่านอาจารย์นะครับท่านคุณมาลิกาเชิญมาลิกาต่อนาทีว่าไหวตัวกับ เหตการระเบิดต่างๆไหมที่อยู่นี่กับนักมาตรการเจ้าค่ะอาจารย์ก็ก็วันสองวันที่ผ่านมาก็ตกใจยเหมือนกันก็คิดว่าแถวถนนหน้าบ้านเพราะว่าที่บ้านเขาขวางลูกนิมิตอยู่แต่ก็ดูแล้วว่าเพร่ะลูกบ้านติดถนนก็ดูว่าเออรถมันก็ไปมาไปมาอยู่ก็คงจะไม่ใช่คงจะอยู่ไกลก็ตกลงว่าเป็นที่บ้านไทยค่ะอาจารย์ ก็แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ข่าวอะไรว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นนะคะอาจารย์แต่ว่าพอรู้และได้ยินเสียงระเบิดมันดังแล้วก็สั่นสะเทือนมากแค่นั้นเองค่ ะ, คะแต่ว่าเลยสัญชาติยานหรือว่าตรงนี้ก็แบบข้ามไปนึกพ่ออาจารย์เขาว่ากลัวไหมเราไม่ได้กลัวะคะ่ะอาจารย์เพราะว่าเกิดมาเราเป็นลูกผสมมาแล้วก็ทวด ทังฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นั้นเป็นมุสลิมครับอาจารย์แต่พวกเรานั้นมาเป็นไทยพุทธครับอาจารย์ก็ตรงนี้ก็ถือว่าบุญกุศลเราก็ยังดีที่ว่าเรามาอยู่ฝ่ายพุทธและก็ได้มายึดในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักก็ส่วนใหญ่บุญญาตายายก็เน้นมาเรื่องของขวัดเข้าว่าปฏิบัติธรรมเสียด้านใหญ่กับพอาจารย์ ดังนั้นวันนี้นะคะผู้อาจารย์ลูกก็ได้ฟังคำของผู้อาจารย์ก็ไ ด, ได้ได้มีแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งแล้วก็ได้รู้ ว, ว่าผู้อาจารย์ได้พูดถึงว่ามนุษย์เราที่เกิดมานั้นเพื่อมาเติมน้ํามันกันกับผู้อาจารย์อันนั้นลูกขอให้พู้อาจารย์ขยายความคำ ว, ว่าการเติมน้ํามันนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนที่เกิดมา ที่ต้องปฏิบัติใช่หรือไม่หรือว่าไปตามบุญและบาสนาที่เราสร้างมาถ้าพอาจารย์อ๋อถ้าเราต้องการที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางหังเลิ่นบษษษัสเลยคือพระนิพพานเนี่ยล้วก็เหมือนกับเดินทางไกลเราขับรถไปเดี๋ยวน้ำมันใกล้จะหมดเราก็ต้องหาสถานีบริการจอดเติมไปเรื่อย อันนี้ก็เหมือนกันเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี่ก็เป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสได้เติมบุญเติมุญส่วเติมบาร ม, ตมีต่างๆถ้าอยากจะไปนิพพานก็คอเติมอยู่เลื่ยถ้ามาพุทธในภพที่มีศาสนาพุทก็ยิ่งสบายยิ่งมีน้ำมันพิเศษเติมหนึ่เดียวไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะเป็นน้ำมันธรรมดาต้องคอยวัดเติมไปเรื่อยๆเองไม่รู้กี่ภพ ก, กี่ชาติ เข้าใจไหมคะก็ <S <S <S แต่ว่าไอ้จุดนี้นั้นพ่ออาจารย์ก็จะกล่าวถึงคําว่าตัวศรัท ธ, ธาตัวศรัท ธ, ธากับวิริยะแล้วไอ้ตัวนั้นตัวศรัท ธ, ธาต้องต้องมีมากกว่าใช่หรือไม่ ต, ไมต้องมีถ้าศรัท ธ, ธาน้อยวิริยะมันก็น้อยศรัทธา ม, มากวิริยะมันก็มากเข้ <S <S าใจไหม ศรัทธาห้าสิบวิริยะก็ห้าสิบศรัทธาหนึร้อยเต็ 100, มหนึร้อยวิริยะก็เต็มหนึ่งร้อยค่ะอาบบ pe, จา pe, รย์รก็คือหมายถึงว่าเมื่อการปฏิบัติทุกครั้งที่ที่เราที่ทําให้การปฏิบัติลม้มลุกคลานนั้นก็คือมาจากศรัทธาอย่างน้อยอย่างศรัทธา อ, อย่างน้อยพราะศรัทธาน้อยวิริยะน้อยก็มามาตามมาด้วยสติสติน้อย เราก็เจริญสติน้อยปฏติปัญญาสมาธิก็น้อยก็เลยยังไม่เป็นพลังไม่เป็นพลังขึ้นมาเป็นเอนไว้ก่อนเจ้าค่ะผู้จัดการค่ะก็เรือนฟุตปาห์นี้ก็เหมือนกับที่อคุณอาหุาว่าแล้วก็อยากขึ้นไปได้ด้วยกันไปด้วยกันนะพร้อมกันนะใช่าึ้นไม่ได้นะคู่นี้เสึยงูดคอกั้นไมไม่ไม่ ไม่ไม่เพราะว่าเพราะชอบเพโดยโดยโดยโดยโดยนิสัยแล้วเพราะพอว่าไม่ได้ไปวัดรู้สึกมันมันรู้สึกในใจนะมันรู้สึกมันไม่โอเคคะพ่อจันบอกไม่ถูกหลวงเวียงแล้วก็พอไม่ได้ไปสามเดือนแล้วพอพอนึกถึงว่าไปไปขึ้นเขานะไปกราบพ่อจันนั้นรู้สึกว่าน้ำมูกน้ำตามันจะ จะไหลออกมาทันทีเลยว่าเออนะเราต้องไปนะเราต้องไปนะแต่ว่าก็นั่นสีเพราะว่าพระอาจารย์ก็พูดแบบแบบชัดเจนมากเวลาพระอาจารย์เทศก็คือหมายถึงว่าพอเราอยู่ทางนี้ก็ภาวะที่มันน่ากลัวภาวะเสี่ยมันก็มีมากแต่แต่ก็มีแต่นะคะพระอาจารย์ก็คือในเรื่องของเรามาหลงอยู่ทางโลกก็คือเพื่อจะต้องหาเงินหาเงินเพื่อที่จะเดินทางไป บางทีพอเรามาทําในจุดนี้ปั๊บความเหนื่อยล้าหรือรปลูกผักนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นว่าปลูกผักตรง น, นี้ก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าเราเคยเป็นครูมาก่อนว่าปลูกผักแล้วก็มันก็มันมันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็หนแต่ก็มันก็ได้อยู่ก็พอที่จะได้เสียได้เงินไปเสียค่าเครื่อง่ยนได้ครับอาจารย์ตรง น, นี้ก็เป็นการทดสอบแล้วก็ที่บอกอาจารย์ว่าความทุก แต่และคนนั้นมันมีแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาที่รู้ปอกอะไรว่าพอลูกใช้ปัญญาตรงนี้ความสงบแล้วความยินมันก็ลดลงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีปัญหาก็มากๆ ม, มันก็จะลดลงแล้วก็มันจะซ้อลงซ้อลงแล้วก็เราก็ใจก็จะมุ่งอยู่แต่การปฏิบัติค่พระอาจารย์ครับคุณเราคุณอุสารรู้จักกันมามืก่อนแลมาเจอกันที่วัดไม่ไม่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคุณ คุณอารุษานั้นเป็นครูเป็นคุณครูสอนปถมอยู่ที่อำเภออาเภอแวงลูกนั้นอยู่สุขีรินอยู่สอนมัธยมแล้วก็คุณอารุษานั้นจะเคลืนไปเจอปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแอบาจโจที่ตุขีรินแล้วลูกก็ไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันเพราะว่าที่ลูกได้ไปตรงนี้ก็เพราะว่าลูกประเทศต่งงานิระอาจารย์เนาะแล้วก็คุณครูเขาจะบอกว่า เอ้าอาจารย์มรดกาไปเฝ้าเด็กเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเลาวก็จะให้เด็กไปปฏิบัติธรรมเข้าคอร์ดเช่นบวชบ้างอะไรบ้างก็ที่นี้ก็ลูกก็ไปเฝ้าเด็กดังนั้นได้อนิสงส์ตรงนั้นไปอยู่คืนหนึ่งสองคืนสมคืนก็ไปเฝ้ากับเด็กเพรานี้ก็ความมันจะซึมซับเข้ามาในจุดนั้นค่ะอาจารย์ก็คือได้บุญได้ตรงนั้นแล้วก็พอเราเกษียณปั๊บนั่นแหละค่ะอาจารย์ ผล<า>กุศลก็ตามอ่ะเจ้าขาวอาจารย์ก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยใช่ใช่ขาพระอาจารย์ว่า<ม>ขึ้นไปปฏิบัติธรรมแล้วก็คุณอาวุสานะจะขึ้นไปปักดอกไม้จัดดอกไม้แล้วเป็นลูกมือให้อะไรบ้าง<ม>ข่าวพระอาจ า, <ม>ารย์บริการเป็นการยันงานมาตั้งแต่บัดนั้นเลยนะใช่เจ้าขาวพระอาจารย์ก็คือ<ม>เป็นเป็นคนที่ชอบแบบ ว, ว่าตลอดเวลานั้นที่ที่ค้นหาก็คือบอกคุณอาวุาสาว่า ค้นหานะค้นตัวเองค้นหาผูดค้นหาว่าเราต้องการอะไรใครก็ได้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุเยอะที่เขาไปไป้าปฏิบัติธรรมชอบเข้าไปอยู่ใกล้ๆเข้าไปถามเขาว่าเขาทายังไงทํายังไงที่แต่ก่อนเราคงเป็นยังอายุยังน้อยๆแต่ว่าทาไมถึงสวยจังนะทำไมถึงสวยจังแล้วาาก็ถามว่าสวยจังแล้วว่าเราก็ดีแล้วก็ เขาพูดพจะพูดจะเดินจะนั่งจะกินจะนอนอะไรบบก็ดูเรียบร้อยดูดีก็รู้สึกเริ่มใสายและสััผ่าแล้วก็เข้าไปใกล้ๆแต่ว่าก็เข้าไม่ถึงพระอาจารย์ตอนนั้นเ้าไม่ถึงว่าโอ้แล้วเราจะเข้าถึงของพระพุทธพระธรรมพระสูงได้ยังไงใครจะพาเรามาตอนนั้นก็พอเจอกับคุณอาสงษาแล้วก็ก็ก็โอเคแล้วก็น้องเดชยาก็ให้โอกาส บ้านโรงเรน ก, ก็ก็ไปกลางแรกก็ขึ้นเขาอ่าไม่ได้ขึ้นเขาแล้วค่ะอาจารย์ก็คือเราไปอยู่วัดญาณก่อนไปอยู่วัดเจดวันค่ะอาจารย์ก็ได้ทดสอบตรงนั้นไปแรกๆก็ก็ยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่คุณน้องฤทิกษยานะั้คือเขาจะเก่งแล้วก็คือก็ได้ถึงมซัพย์มาเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงวันนี้ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าภูมิใจสิ่งที่เราค้นหามาตลอดชีวิตว่า เราจะต้องเจอใครสักคนหนึ่งที่ให้ความเวยตาแล้วก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในสิ่งที่ลูกปาดหนามมาถากทุกย่พระอาจารย์่าเยินดีด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์้วกหมดอ่าไปที่ป็นหมอใหม่ต่อใช่ไหมไม่ใช่คุณจุ๊บนะคุณจุ๊บคุณจุ๊บโกเบน้มัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะ วันนี้ไม่ค่อยมีคําถามเลยนอเข้าใจหมดแล้วสิไม่ขนาดนั้นเลยจ้ะค่ะไม่ไค่ะคือมันไม่มีคําถามจริงๆเจ้าค่ะพระจันทร์ไม่มีคําถามเพราะไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมหนูปฏิบัติค่ะพระอาจารย์หนูตอนเช้าแต่ว่าหนูไปเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มอนั่งสมาธิในออนไลน์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ นั่งคนเดียวเวลานั่งเข้ากลุ่มด้วยไม่ค่ะคือเรานั่งคนเดียวเจ้าค่ะแต่ว่าเวลาเราไปไปเปิดอะไรก็คือเหมือนกับว่าเรามีเรายังมีกัลยาณมิตรที่ตื่นเช้ามาแล้วก็มานั่งปฏิบัติธรรมเหมือนกันอยู่แต่ว่าทําใครทํามันเจ้ า, าค่ะอืมค่ะแล้วตอนกลางคืนหนูก็เข้าไปเข้ากลุ่มมีอาจารย์มานําสวดมนต์แล้วก็มีฟังเทศนาธรรมแล้วก็นั่ง สมาธิด้วยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้ไม่ได้เข้าเจ้าค่ะก็พราเป็ น, เ ป, นเป็นวัดของของไทยแล้วว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นคือเขาเขาเปิดออนไลน์พระอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงปู่บัวกเกตเราเจ้าค่ะพระอาจารย์พิชัยค่ะอยู่ที่ชนบุรีเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ชนบุรีค่ะออยู่กำนักสัมผัสอัน น, นี้นั่งสมาธิในสวนบอ ก็คือสวดมนต์ด้วยสิบสิบอ่าสี่ทุ่มสีทุ่มที่นี่ก็ประมาณสองทุ่เมืองไทยเขาก็จะเริ่มสวดมนต์กันสวดมนต์ไม่ไม่เหมือนกันทุกวันนะคะแล้วแต่ว่าวันแรงวันอะไรอย่เงี้ยก็คือจะเปลี่ยนไปแล้วพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็จะมีสวดอภินาถปัจเจเวกก็คือเป็นบทสวดที่จะต้องทําสวดทุกวันสวดเอ่อไม่ีความแปรเป็นเทวนาเร่ใช่ค่ะแล้วก็สวดเอ่อ กายขตาสติเจ้าค่ะพระอาจการสาวสองการสามตสองแล้วก็สวดอรแผ่เมตตาแผ่เมตตาค่ะพระอาจารย์แล้วก็เรียกว่าทำวัดคำทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิต่ออ๋อแล้วก็จากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาบางทีพระอาจารย์ก็จะมามาเทศให้ฟังบางทีก็เปิดเทปของหลวงปู่บวเกตให้ฟังเจ้าค่ะออืหลังจากเสร็จจากนั้นแล้วก็นั่งสมาธิด้วยกันหนึ่งชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนเที่ย ง, ง, งคืนญี่ปุ่นนะคะ ก็ประมาณสี่ทุ่มไทยสี่ทก็เหมือนเหมือนกับไปวัดเช่นไปแบบออนไลน์ค่ะทั้งทุกวันเลยเจ้าค่ะค่ะทุกวันไลแล้วมีคนเข้าเข้าเข้าไปเยอะไหมอืมแล้วแต่ค่ะถ้าวันไหนพระอาจารย์ท่านเข้ามาก็จะมามีประมาณยี่สิบแปดคนยี่สิบห้าคนค่ะแต่ถ้าท่านติดภารกิจหรือไม่มีใครเข้าก็จะมีแอดมินเขาเข้ามาก็จะเหลือนั่งกันอยู่ประมาณสิบคนสิบห้าคนบางทีก็ แดคนเก้าคนอัน เ, เป็นเขาก็เปิดเปิดเปิดเทปของครูบาอาจารย์ให้ฟังเลยค่ะเปิดเทปของครูบาอาจารย์ให้ฟังค่ะบางทีก็เป็นเทปของพระอาจารย์เทศนามา่ก่อนแล้วก็บางทีก็เปิดของหลวงปู่บัวเกตเจ้าค่ะอันนี้ตอนตอนเย็นกล้ตอนเช้าที่นั่งเข้าสมาธิเป็นกลุ่มนี่ไม่ของใครเลตอนเช้าแล้วจะาพระอาจารย์มันมีสองกลุ่มเจ้าขาพระอาจารย์ก็คือมีกลุ่มของของ กลุ่มที่เขาตื่นมาตอนตีสามเมืองไทยอะค่ะพอาจารย์ตีสามเมืมเองไทยหนูตีห้าใช่ค่ะหนูก็ตีห้าหนูก็เข้าไปไปนั่งไปนั่งสักพักหนึ่งพอเริ่มจะหกโมห้าสิบห้าของญี่ปุ่นนะ่ะก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะใช่ใช่หกโมงหสิห้าของญี่ปุ่นหนูจะเซตเวลาไว้เลยคือถ้าสมมติหกโมห้าสิห้าของญี่ปุ่นปุ๊บหนูจะต้องออกจากกลุ่มนั้นแล้วไปเตรียมเข้าตอนเจ็ดโมงของกลุ่ม อ, อาจารย์พิชัยค่ะอาจารย์ชัยก็มีกลุ่มตอนมีตอนเช้าด้วยเลยมีตอนเช้าด้วยค่ะมีทุกวันคำว่าเช้าคำว่าเช้าก็ส่วดมนต์แล้วกังเทศนแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนกันใช่ค่ะสองชั่วโมงค่ะออตอนเช้านี่จะคือนั่งจนถึงถ้าเป็นเมืองไทยจะนั่งจนถึงหกโมงคึ่งของเขาของหนูก็แปดโมงครึ่งค่ะแปดชั่วโมงครึ่งก็ ก็ส่วนใหญ่จะนั่งสามสีนาทีเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ส่วยส่วนบนด้วยทั้งวันก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครึ่งเจ้าค่ะแล้วทำทุกทีทำทุกวันเลยนะค่ะก็ทําทุกวันค่ะพระอาจารย์หนูพูดด้วยความสัตย์จริงดีก็ได้ประโยชน์มากเลยนะตอนตีสามนะบางทีหนูก็ตื่นไม่ไหวเจ้าค่ะพระอาจารย์อืคือตื่นตีห้าที่นี่บางทีเพราะว่าตอนเพราะว่าหนูเลิกจากที่นี่ก็แบบหนูเลิกจากนั่งสมาธิก็เที่ยงคืนแล้ว แล้วมาตื่นตีห้าบางทีหนูก็นับงานหนักก็ตื่นไม่ไหวอีกอย่างกลุ่มที่นั่งสมาธินี่เป็ของใครกลุ่มที่นั่งสมาธินีค่ะตอนแรกพระจะรู้จักคุณหมอดาวใช่ไหมเจ้าคะหมอดาว ค, คือเขาก็มีคุณหมอดาวเขาก็เคยแบบสอนสอนนั่งสอนนั่งสมาธิการแล้วจากนั้นจากนั้นก็จะมีเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะไป ป, ปฏปิบัติธรรมกันเมื่อก่อนที่ mm hmm. ป้อตป้าปังเกิ้ลนะคะ คุณหมอดาจะนำสมาธิทุกวันตอนตีสามแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนสองเดือนเนะะี่ยค่ะก็ก็เลิกพอเลิกปุ๊บมันก็จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ว่าเขาก็ยังอยากทําต่อะคะ่ะพระอาจารย์เขาก็จัด<ม>เขาก็ทําต่อเลวเลาเลวลาเราไปร่วมกลุ่มนี้นต้องเข้าแบบเข้าเข้าซูมแบบของเรานี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ไม่ต้องเข้าเป็นไลน์เป็นไลนล์อ๋อใช่ใช้กลุ่มไลน์เลย เข้าทางกลุ่มเข้าทางกลุ่มไลน์ค่ะพระอาจารย์ไม่มีจำนวนจำกัดนะอยู่เข้าได้เยอะก็คือเราเราต้องไปเหมือนเราเราต้องรู้รู้ว่าเขาใช้โค้ดไลน์อะไรด้วยค่ะเขาจะคือเราต้องเป็นเหมือนกับเป็นสมาชิกแล้วเขาก็รับรับยินเข้าเข้าเข้าในในไลน์นี้กลุ่มของคุณหมอดาวนี่คือเขาจะมีแอดมินมา ทุกตีสามทุกวันตอนตีสามมาเปิดมาเปิดเหมือนคอค่ะไลน์คอแล้วเราก็ถ้าเราเป็นสมาชิกในไลน์เขาแล้วเราก็ไปกดกดเข้าไปค่ะพระอาจารย์เข้ากลุ่มได้เลยแล้วทุกคนจะเห็นกันเห็นคนที่เข้ากลุ่มจะเห็นได้เห็นหน้าเห็นตากันไหมคก็จะเห็นค่ะพระอาจารย์เห็นกันทุกคนเลยเนาะก็คือไม่ก็ซูมอย่างนี้เลไม่ไม่ไม่ใช่อย่างเนี้ค่ะคือจะเห็นแกต่ชื่อเฉยๆค่ะไม่แต่ชื่อไม่มีตัวไม่เห็นภาพเห็นหน้าไม่เห็นภาไม่เห็นอะไรแล้วก็คนที่จะเข้าไปก็ต้อง ต้องเตือนสติเตือนใจตัวเองด้วยว่าเราจะต้องปิดไมโครโฟนทุกครั้งเพราะมันมีเคยมีที่แบบคนเขาลืมปิดไมโครโฟนเรานั่งปฏิบัติของเราก็จะได้ยินเสียงคนที่เขาลืมปิดเอาไมโครู้ด้วยคือทุกคนทุกคนจะเงียบไม่ไม่มีการพูดจาอะไรเพื่อแต่เข้าไปส่วดมนต์ของตาก็ไ ม, ม่พูดจาคือแค่รู้ว่าออรับรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นั่งสมาธิเธออยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิออด้วยกยัน ใ, ให้มีเพื่อนเป็นกลุ่มเวลาสวดมนต์ก็สวดด้วยกันนะครับ อ, อ่า อ, อือ ถ้าคนเดียวมันรู้สึกเหงาเรือยังไงพระอาจารย์คะหนูหนูพูดด้กความสัจจริงว่าหนูย้ายมาอยู่หนูอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยหนูไม่เคยไปวัดไทยในญี่ปุ่นเลยสักวัดหนึ่งะค่ะพระาอาจารย์หนูเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแล้วหนูแบบมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้มีกัลยาณมิตรหรือเราเราเหมือนมีใครสักคนที่ที่อยู่ตรงนั้นทําปฏิบัติ ด, ด้วยกันกับเรามันมันทำให้หนูรู้สึกว่าเ อ, อ มีกำลังใจมีเพื่อนค่ะมันเหมือนมีกำลุช่วยกันกับแล้วกลุ่มพวกนี้เริ่มตั้งนานไหยางและหลายปีได้ยังสําหรับกลุ่มพระอาจารย์พิชัยมีมาประมาณสองปีแล้วค่ะพระอาจารย์สองนีตัวกลุ่มของคุณหมอดาวนี่มีประมาณปีที่แล้วจ้ะขาดพระอาจารย์ยังมีคนเยอะไหมครับก็กลุ่มขอมอดาวมากค่ะพระอาจารย์มีเยอะมากเลยค่ะ เป็นดอยเลยป่ะเป็นดอ่ะโอ้ยเยอะค่ะพระอาจารย์แล้วตอนเช้าที่เวลามันนั่งนั่งปฏิบัติตอนเช้านี่ก็แบบโอ้โหเยอะมากเลยคะ่ะเยอะกว่ากลุ่มของท่านพระอาจารย์วิชัยพระอาจารย์แล้วมอดาวจะเข้ามาด้วยหรือเปล่าหมดาบางทีท่านเขาก็เข้ามาไม่ไม่แน่ใจค่ะหนูแต่ไม่มีใครนํามยังไม่มีใครตอนนก็นั่งนั่งสมาธิกันไปเลยแต่สมัยก่อน คุณหมอดาวนำค่ะสมัยก่อนอดาวนำนำแล้วก็คนเข้าไปแบบโหย้ยเที่ยวเลยสามร้อยกว่าคนก็ก็มีค่ ะ, ะจากบางคนเขา้าไปฟังผู้นำว่าให้ทําอะไรนี่นะก็เขานําสมาธิค่ะพระอาจารย์ท่านเขาเก่งมากเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อบอกวิธีนั่งให้คนที่นั่งไม่เป็นจะไนั่งได้ใช่ไหมคือดีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อื ม, อม ถ้าคนในห้องสูงเขอยากจะรู้นี่จะทําไงก็จะติดตามได้ก็สาธุขอโทษนะเจ้าคะ่ะขอโทษนะคะคุณหมอดาวเข้าไปเข้าไปที่อเฟซบุ๊กของอองค์องค์คุรีดาวอะคะอ่ะก็จะอเส้นทา ง, ทา ง, งคุรีดาวคะ่ะเฟซบุ๊กชื่อเส้นทางทางองค์คุรีดาวก็จะเห็นเจ้าค่ะถ้าที่องค์คงท่าี่เปองคุรีมาก็เป็นองคุรีดาวเลยขอโทษค่ะ คุณหมอแล้วถ้าสมมติได้เห็นตรงนี้หนูขอโทษได้ไหมคะไม่เป็นไรมั้งคุณหมอเขาคงจะเยินดีเพราะไม่ได้มีเพื่อนปฏิบัติธรรมมากขึ้นค่ะค่ะก็ดีค่ะเหมือนเรามีกัลยาณมิตรที่ที่ช่วยกันอ็เราก็มีอะไรก็แชรกันไปอ่าเพื่อ ค, คนที่เขาบางทีนั่งนั่งคนเดียวตามลาพังไม่ได้ก็อาจอยากจะทําแบบมิจุ๊บนี่ก็ได้ แต่หมอดาวเขาเคยเข้ามามามากราบเราเคยเข้ามาอยู่หมอดาวแกก็ติดตามหลวงปู่หลวงปู่บุเกตไมใ่ใช่ไหมก็รบใช่ไหมติดตามหลวงปู่บุเกตก็ก็เนี่ยค่ะเดือนห้าที่จะถึงเนี่ยค่ะจะมีจะมีเอสมงานสมโคตเจดีนะจ๊ะค่ะพราจารย์แต่หนูคิดว่าหนูคงไม่ได้ไปเจ้าค่ะอืมงานนี้มันต้องไปก็ได้แล้วอาแต่งานภานะวนาสวดมนต์ก็พ อ, อ, อดี ก็ก็อนุโมทนานะตั้งที่ให้ข้อมูลต่างๆหรืใครที่สนใจอยากจะลองเข้าไปในกลุ่มดูว่าอาจจะได้เรียนรู้วิธีไหว้พระสวดมนต์บ้าก็ได้บางคนอาจจะสวดมนต์ไม่เป็นอืมใช่สบายๆนี่เราไม่ต้องไปที่วัดแล้วนะไปโบวถไปอะไรเดี๋ยวนี้มีออนไลน์ค่ะมันมันรู้สึกดีค่ะเวลาที่เราเห็นว่คนที่พยายาม ตื่นมาตอนตื่นมาตอนเช้าตูวตัเข้ามานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิด้วยกันเนี้ยค่ะมารู้สึกมีกําลังใจยังไงก็ไม่รู้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ไม่เห็นหน้ากันใช่ไหมทุกคนแค่ไม่แต่ชื่อชื่อของไม่ไม่มต่ไม่แต่ตัวเลขแล้วม่ชื่อชื่อชื่อผม่ขึ้นมาด้วยมีแต่ชื่อโผลขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะจ้าเออแล้วมีใครเข้ามาบ้างนี่เลยอืีเ ก็เรียนรู้เรื่องราวแปลกๆใหม่ๆแต่วันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเอามาประยุกใช้กับของเก่าคือศาสนาได้ก็ดีโอเค <Okay. S 1> มีมอะไรไหมไม่มีไม่มีคำถามเจ้าค่ะก็พยายามปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุ <Okay. S 2> ขอให้เจริญธรรมยิ่งขึ้นไปนะสาธุก้าวไปที่คุณปุ้ยคุณปุ้ยเข้ากลุ่มไหนล้ว มไม่ได้เข้าเลยค่ะพระอาจารย์คิดว่วามีกลุ่มอยู่แน่กลุ่มค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าโยมปฏิบัติเองแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาโยมกเ็เข็นตัวเองขึ้นมาได้ประมาณแบบเรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ดีเลิศสำหรับตัวโยมเองแล้วเพราะว่า โยมปฏิบัตินั่งมาที่คือโยมนั่งแล้วก็เดินนั่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็ไม่ออกไปไหนแนละ้ขังตัวเองแบบเออโยมจะทําอย่างเงี้แล้วก็จดบันทึกบุญแล้วก็เพราะว่าโยมคิดว่าเออการที่เวเวลาที่พระอาจารย์เ อ, อเทศวันเสราร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารจน ถ, ถึงวันเนี้โยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์มาตลอดเลยค่ะ mm hmm. แก็ไม่ไปไหนแล้วก็ทําบุญก็ออนไลน์แล้วก็ ตามแต่พระอาจารย์นี่แหละแค่ตามพระอาจารย์ก็ไม่มีเวลาแล้วแบบพอโยมสวดมนต์เสร็จมันมีแบบเหมือนกับเหมือนกับอะไรละ่ะยูทูบของพาาอะระอาจารย์อ่ะจะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยโยมก็ต้องไปนั่งฟังเล้วนะัประมาธิกับนั่งสมาที่กับยูทูบของพระอาจารย์โ mm hmm. ยมเลยแบบจะไปฟังหลวงตาบัวโยมก็เอาเอามีมีของวระอาจาย์ขึ้นมาอีกแล้วโยมฟังฟังจนโยมฝันเลยอะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. จริงๆโยมแบบฟังหลวงตาบัวจนโยมแบบยมก็ฟังสองคนโยมว่าเอ๊ะทําไมโยมฟังและตอนนี้มันมันสงบแบบแล้วทีนี้โยมได้ยินหลวงตาบัวพูดเลขหวยยยมว่าเอ๊ะจิตโยมปรุงแต่งไว้เปล่าโยมว่าฟังมีที่ถูกไหวันนี้ถูกเหรอเปล่าวันนี้ถูกเปล่าตอนแรกว่าจะไม่เล่นถูกกินไม่เข็นท่าทีนะถูกริงดีครั้งก็ไม่เข็ยนนะ คือเล่นๆไปอย่างนั้นแหละรู้รู้อคือยมรู้นะว่าตัวเองตอนแรกจิตก็บอกว่าเออครั้งนี้ยไม่ถูกหรอกอย่าไปเล่นเลยในที่นี้พอคนชวนเอิมก็เออเสียไม่ได้นิดหน่อยเออแต่ว่ายมก็รู้ว่ายมไม่ถูกหรอกในยมจะถูกงวดหน้ายมจะถูกหัวใหญ่เนียยมว่าเฉยๆแต่ยมก็เออไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่าเราทําบุญแล้วเราก็ไม่ไม่อะไรมากมายแต่ยมก็ ยมก็ดีใจว่ายมได้ปฏิบัตินะยมก็สงบมันมันเหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับตัวเองแล้วเราสวดมนต์และภาวนาเหมือนอย่างพระอาจารย์พูดอย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดเวลายมลองทำนะสองวันติดลองทำอย่างเงี้ยสัมมาเออพุทโธพุทโธสัมปฏิชฌามนม้อะไรของยมยมท่องท่อง่อง่ อ, อ, อไปจนกินข้าวยืนยืนทําข้าวยมก็ท่อง ยมรู้สึกว่ามันเหมือนจิตมันนิ่งแต่ว่ามันไม่ได้ว่าเราเห็นอะไรหรืออะไรนะพระอาจารย์ไม่ต้องการจะเห็นนาต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบทั้งในแล้วมันมันไม่รู้สึกดีใจมันไม่รู้สึกเสียใจมันไม่รู้สึกว่าจะเศร้าหรืออะไรอย่างนี้คือมนันกลางๆไงเป็นรูเบคาแล้วยมไปฟังวันนั้นนะ่ะพอยมฟังพระอาจารย์เสร็ เมื่อวันเสานะแล้วก็โยมก็นั่งสมาธิกับฟังคลิปหลงตาบอัวแกพูดเออและแกก็บอกว่าแกก็บอกเหมือนกับพระอาจารย์แหละแกบอกว่าให้ให้ทําใจนิ่งๆแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทาเสียงน่ะเดี๋ยวเสียงเสียงน่ะเสียงของฉันน่ะจะเข้าไปที่หัวใจโยมก็นั่งแล้วเออเราก็รู้สึกไอ้จริงๆว้าเสียงมันเข้าไปในหูแล้วมันก็แล่นแล่นแลนแนเข้าไปอย่างนี้โยมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะ พ้าใจนิ่งแลวเวลาฟังธรรมะก็จะเข้าใจเลยมันมันรู้สึกตัวมันเบาๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าถ้าอะไรมันจะเกิดก่อนหรือจะมีอะไรเราจะรู้มาก่อนมันมันจะเหมือนมีนอะไรมาเตือนเราโยมไม่เคยฝันเลยนะพระอาจารยออ์แต่รู้สึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยมจะฝันและฝันน่ากลัวมากเลยโยมก็เลยไปไ ป, ไ ป, ไปรีบไปทำบุญมาเยอะเลย โยมทำบุญกับประธานด้วยโยมทำโยมกลัวโยมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับตัวเราหรือไม่จะเกิดกับประเทศชาติหรือไม่จะเกิดจากอะไรแต่กับรักษมณเบิกเนี่ยไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าโยมเช็คแล้วมันไม่มีปัญหาและโยมฝันว่าโยมไปที่ไหนก็ไม่รู้เออมันเป็นที่ที่มันเป็นตึกใหญ่ๆอะ่ะแล้วมันก็มีคนอะ่ะตายเต็มเลยเอาพระข่าวคุมเต็มเต็มเต็มเต็มถนนเลย โยมก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรโยมก็กลัวและทีนี้โยมก็แล้วเมื่อสองสาวันที่แล้วยมไม่ได้ไปสงการแต่โยมทําสังฆทานออนไลน์ให้บิดามัรดาโยมโยมก็ฝันถึงบิดามันดาโยมเหมือนกับเขาจะมาขอบคุณโยมหรือไงโยมก็ไม่ทราบค่ะอาจารย์ไม่โยมไม่ได้สนใจไม่ต้อสนใจเขาจะทำอะไรก็าแล้วแต่เข้าไปโยมโยมทุกครั้งโยมก็จะแผ่บุญให้ทุกคนทุกท่านเลยใช่ โอเคนะต้องขอข้ามไปแล้วนะเดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วน้อมน้อมจิตน้อมบุญทุกอย่างถวายพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดฐานแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุการอย่างมากเจ้าค่ะสาธุสาธุไปที่คุณแซนนี่แบงค์คต่ออรวันละสองสามนาทีกันแล้วกันนะาา ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์ หนูก็ยังปฏิบัติถือศีลแปดแล้วก็ฝึกสติสมาธิอยู่ค่ะยังไม่มีคำถามค่ะวันนี้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะโอเคคุณอาไปิตริ์สกล น, นค ร, รนครับน้องสการ์พระอาจารย์ครับไม่มีคำถามอะไรครับพ่ออาจารย์อ่ า, มมาังนะตางไปเรื่อยๆครับผมโอเคถ้าจะขอบคุณครับคุณเอิง เป็ไงไปสีลังกามาไปทำอะไร ม, มาบ้างการธรรมสถารค่ะพระอาจารย์ไปศีลังกาก็ได้ไปเขียนคอนเทนต์พอพุทธสถานต่างๆให้กับสายการบินค่ะแล้วก็ได้ไปกราบพระธาตุเที่ยวแก้วค่ะพระอาจารย์แล้วทำคอนเทนต์นี่ทำคนเดียวแล้วต้องมีทีมมาช่วยใช่ไหมคนเดียวค่ะคนเดียวเลยต้องถ่ายภาพทั้งถ่ายด้วยนะมค่ะถ่ายวีดีโอถ่ายภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์ค่ะ เรนนื่องเสร็จไดยังไม่ยังไม่เสร็จค่ะรวบรวมข้อมูลแต่ว่ายังไม่เสร็จคะ่ะแต่ว่าก็มีข้อมูลพื้นฐานแล้วเพราะว่าเอิงเรียนวิชาศิลปะสีลังกาค่ะอาจารย์ต้องต้องส่งเมื่อไหร่เออตอนนี้ทางสายการบินสีม่วงของประเทศไทยมีปัญหาเรื่องตึกเขาก็เลยยังไม่แจ้งวันมาค่ะเพราะว่าตัวเขายังเข้าที่ทํางานไม่ได้ค่ะค่ะแล้วก็การทิ่ได้ไปสีลังกาค่ะอาจารย์ก็ได้เห็นแบบ ว่าพวกเขาว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็เหมือนเอองก็รู้สึกดีใจที่ได้เกิดในประเทศไทยค่ะเพราะว่าในประเทศไทยอมีทั้งให้ศรัทธามีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็รู้สึกว่าจะกลับมาปฏิบัติจริงจังแล้วก็เององศรัทธาในพระเจ้าสุชาใช่ไหมคะแล้วพระาจ้าสุชาบอกว่าพระอาจารย์อ่านหนังสือเล่มนี้ตอนปฏิบัติ ด, ด้วยเอองก็เขียใช่ไหม อ๋อภาษาไทยค่ะาาปฏิปาทาของพระอาจารย์มันอ่นใช่เรืน่นดีสาวนิติปฏิบัติต่างต่างเอิก็เลยรู้สึกว่าเป็นกำลังใจมากขึ้นค่ะเหมือนเช็คด้วยไม่ได้รบกวนพระอาจารย์มากแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันทวนกระแสโลกจริ ง, รงๆแต่ว่าก็มีคนทวนเหมือนกันแบบครูบาอาจารย์ค่ะไม่ได้นังสือเนี่จากที่ไหนเลยจากพระอาจารย์สุชาติ ท, ที่มาที่น้าบุตรีนี่นะใช่ค่ะอืมนีก็เป็นกําลังใจอีกหนึ่งอ่านคะอาจาร์อ่านเท่าไหร่อั น, อนตอนนี้อ่านเพิ่งเริ่มต้นเองคะ่ะที่หลวงตามอกว่ า, ากกเริ่มเขียนว่าเออมันทวนกันทุกอย่าง อ, อะเนี่ยค่ะแล้วก็ประโยคหนึ่งที่เอิงรู้สึกว่าก็เป็นกําลังใจเหมือนกันคือเรารู้ว่าพอเรามีสติมากขึ้นนะคะกิริยาวาจาท่าทางอะ่ะมันก็จะ ดูเป็น ค, คนใช่คะ่ะถ้าสายตาโอกแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นคนที่มีความคิดตลอดเวลาอะไรประมาณนี้คะ่ะอโอเ อ, อขอบคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์เอองรักหนังสือเล่มนี้ที่สุดเลย อ, อ, อ่านให้จบเลยนะจะได้ความรู้มากมายเลยพอวันท่านจะสอนท่านจะพูดเรื่องการปฏิบัติของครูบาอาจารย์หลายเรื่องด้วยกันอะแล้วก็อ๋อแล้วก็ครั้งที่แล้วอเอองบอกกับพระอาจารย์ว่าแบบเออง เอ่อเอ่อมีเรื่องเรียนด้วยมีเรื่องงานด้วยแต่ว่าพอตอนนี้เริ่มมีกําลังใจว่าเอองก็จะหาเวลามากขึ้นในการปฏิบตัติให้เวลามากขึ้นกับการปฏิบตัติแล้วก็อยู่วิเวคค่ะพระอาจารย์ดีมาจูกจามนะอ่อ <Okay. S 2> าอคมาให้ทำให้มากๆนะก็คือค่ะทางขึ้นเวลาเวลาสิเน เอ่อ FC เก่าหายไปนานเลยไปอ่านมาสบายเลยฝรั่ใหม่ไทยท่านพระอาจารย์ค่ะอนนี้อยู่เยอรมันแล้วก็อ ย, อยู่เมืองไทยอยู่เยอรมันค่ะเป็นยังไงสบายดีอหลังจากกลับไปกับท่านอาจารย์ครับที่แล้วเรายมกลับมายมก็ล้มในสวนแล้วก็เออเอ็นตรงเขามันขาดนะคะยั ง, งยังได้ปรึกษาน้องนกอยู่เลยะคะ่ะยังคุยกันกับนกนกว่า แต่ก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ทกํากายภาพบาบัดดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็พานงานเลยอ๋อโยมโยมย้ายงานแล้วค่ะไม่ได้ทําที่มาหาลัยแล้วค่ะตอนนี้ย้ายมาทําบริษัทคริปโตของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทํางานจากบ้านค่ะอ๋อดีค่ะก็พอมีปัญหาเรื่องหัวเขามันก็จะนั่งภาวนาได้ไม่นานเพราะว่าเราเพิ่งผ่าตัดมาไม่นานนะคะท่านอาจารย์โยมก็เลยสาบังคับต้องฝึกสติในระหว่างวันให้ดีค่ะอะ แลนั่งนั่งเก้อีก็ได้ถ้านั่งแบบเพียค่ะปกติก็ก็พยายามนั่งเก้าอี้แล้วพอวันไหนแบบฮึดสู้ก็ลงไปนั่งสู้ความเจ็บปวดดูค่ะมันก็ตามสภาพร่างกายได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะอื ม, มดีมีอะไรไหมวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยไม่มีค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเยี่ยนถามท่านอาจารย์ไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากพยายามฝึกสติแล้วก็รักษาสมาธิให้ได้มากที่สุดในระหว่างวันค่ะอืมแล้วก็พิจารณาค่ะ ก้าวหน้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาจนถึงบัด น, นี้โยมรู้สึกว่าจิตมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นมันจะตื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านพระอาจารย์กลางคืนเหมือนไม่ได้นอนเลยค่ะแต่ก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรค่ะนี่กเ ด, ดีนะเป็ผู้เขาเรียกเป็ผู้ตื่นผู้ผู้รู้ผู้บอกบาลพุทโธ บางทีโยมก็รู้สึกว่าอยากจะนอนบ้างแต่มันเหมือนบังคับค่ะท่านอาจารย์มันไม่ให้เรานอนเลยค่ะแล้วเวลาไหนไปนอนเนี่ยมันคือลึกๆแล้วร่างกายมันนอนนะคะท่านอาจารย์โยมรู้สึกว่าร่างกายมันนอนแต่ใจมันตื่นนะคะอ๋อดีสติถ้ามีสติมันก็จะตื่นค่ะอาการมันจะเหมือน ความละเอียดความสว่างมันจะเหมือนเรานั่งภาวนาอยู่ตลอดเวลาค่ะอแม้กระทั่งเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่เวลาเตะก็จะเติมเร็วนะเพราะรู้สึกตัวแล้ก็เติมเลยใช่ค่ะพอพลิกตัวเราก็จะรู้ตลอดเวลาเลยค่ะว่าพลิกซ้ายพลิกขวานอนท่าไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ดีก็ถ้าไม่มีอะไรก็ขอไปก่อนนะนค่ะได้เวลาจะหมดแนละ้ววันนี้ ค่ะกลับขอบคุณค่ะคุณจีบต่อจีบจากจากแม่ไม่เลยขอนมาสักการค่ะพระอาจารย์กับสวัสดีปีใหม่พผศจารย์และทีมงานและทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆก็มันเห็นคือพอลูกเข้ามาหาลัายได้อะไรลงตัวแล้วมันก็เหมือนกับเราก็เบาใจเหมือนเราเห็นว่าเออที่เราทุกมามันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็เหมือนพยายามมองไตร า, ากให้มากๆค่ะพระอาจารย์ก็ พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาตอนกลางคืนก็จะนั่งสมาธิแต่ว่าบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนั่งๆไปอ้าวทาไมมันวืดๆมันมันมันจะหบก็เลยบอกว่ารีบตืตบมืนกับเรียกตัวเองกลับมาอเงี้ยคะพระอาจารย์มันมันพยายามค่ะก่อนที่มันจะสายไปค่ะแต่อชอบคําพระอาจารย์นะคะเรื่องไก่ได้พรอยอะค่ะมันเห็นภาพจริงๆค่ะ ค, ค่ะ ค่ะขอบคุอาจารย์ทาตการแข็งแรงนะเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะอันนี้วันนี้ลินทอฝากฝากอะไรมาหรืเปล่าสลินทอนถ้าเขาไม่ได้เข้ามาก็ฝากกลาพระอาจารย์ด้วยนะค ะ, ะเพราะว่างานเขาคงยุ่งจริงๆเพราะช่วงนี้ภาษีน้ำเข้าของทุกอย่างขึ้นหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าน่าจะปั่นป่วนกับบริษัทเขาเล็กน้อยะะอะค่ะค่ะมันต้องจัดระบบจัดอะไรใหม่คงแบบนั้นนะคะ คนนเดียวนี้ทําให้โรคปั่นป่วนได้นะเจ๊จริงๆค่ะพระอาจารย์เยอะมากทั้งมานั่งฟังข่าวทุกวันคือแบบโ mm hmm. ง้ตตัดทุนไอวิลลิกแบบ โ, โหยเขาออกมาประท้วงกันฮาวาดปราอคลัมเบีย <laughs> อ๋ อ, อ, อหนุยมก็แบบอตายแล้วพอมานั่งฟังอุ้ภาษีเราที่จ่ายไปไปบำรุงนะคะลายไอวิลลิกพวกนี้เหรอแล้วทําไมเวลาลูกเราจะเข้าไม่ให้เข้า แ, แบบมันก็ว่าอ้าวใครเข้าไม่ได้ต้องช้านเงินเยอะอีกขึ้นไปอีกแล้วเงินเอาไปทําอะไร <laughs> อลองก็แบบ เป็นทีกเแบบเอเอเขาเอาไปทำงานวิจัยไม่ใช่เกี่ยวกับการสอนใช่ค่ะใช่ยังก็แบบเออแต่ก็เข้าใจถ้าเขาไม่มีพวกวิจัยพวกนั้นมนุษยชาติก็คงไม่มีอะไรให้แบบพัฒนาเรียนรู้ทางาด้านเทคโนโลยีนะคะก็แบบคนเดียวจริงๆค่ะว่าอาจารย์ไม่ใช่คนียีอกอีกคนหนึ่งด้วยค่ะรถรถก็จะโดนมาถ่วงอยู่ทุกวันเนี่ยโ <laughs> ดนเ้าเลยนะ ชาวบ้านยอมประท้วงทุกวิกแอนเลยค่ะยอมแบบโอ้ไม่กล้าเลยบอกพี่คนไทยมีมีรถเทสลาหนูยอมขอขอเล่าดิ้นนะคะยอมเห็นรถเทสลาแบบเอาสติ๊กเกอร์ค่ะมาแปะตรงตัวทีค่ะตัวโลโก้ mm hmm. แปะึ้นใหญ่เลยยัมก็แบบว่ามันจะพ้หนห่อในเมื่อสไตล์รถมันมันยูนิคขนาดนั้นอนะ่ะมันชัดเจนมากอนะ่ะค mm ่ะก็แล้ยว่าเป็นขําค่ะพระอาจารยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับโอเค ค่ะขอประจานธาตุแผนแข็งแรงนะทุกค้าสาธุค่ะตอนนี้วันภาษีผ่านไปแล้วนะ <15 S 2> ค่ะ<อ>ก็ค่ะสินห้าค่ะสิบห้าเมื่อวานค่ะโอ้โหโยมแบบปั่นป่ว น, นแถวยาวเป็นงูเลยโยมไม่เข้าใจแบบทำไมเขาเอาเป็นลาส t m i n u แบบคือโย ม, มแต่ของโยมขออีกนิดขอเร่าอีกนิดหนึ่นะคะ่ะของโยมต้องปีนี้ต้องโดนจ่ายภาษีเพิ่มใช่ไหมคะพราะวันที่สิบห้าปุ๊บ พระอาจารย์รัฐบาลน่ะสัมพกรตัดปุ๊บแบเช้าปุ๊บตัดบัญชีปั๊บเลยอะ่ะยังแบบโอ้โหนี่จ้องเอาเงินเราแบบรวดเร็วทันใจมากค่ะวีโตนีค่ะพระอาจารย์ขอบพระอาจารย์ทัากัาาา น, <Okay. S 2> ขาานแข่งรายเอกรอบในฤดูการสาธุตุ๊กตาสวัสดีคุณเจ้าต่อเจ้าอัา น, ออนนี้ย้ายมาแจ็กซันหรือยัง ยังค่ะพระอาจารย์กับนวัตสกันค่ะยังอยู่ที่เดิมค่ะหนูจะย้ายประมาณช่วงเดือนตุลาค่ะ<ม>เกือบเกือบสิน้นแล้อาจารยจะขับรถมาเลยตอนแรกก็คิดว่าพี่สาวคิดว่าจะบินมาแล้วก็จะนั่งรถเป็นเพื่อนแล้วขับไปด้วยกันแต่ว่าหนูหนูไม่ค่อยชอบขับรถ<ม>ระยะทางอย่างนั้นนะคะหนูก็เลย<ม>ดูไป ว, ว่าราคาขนส่งรถมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับว่า<ม>ถ้ายังไงอาจจะขนอาจจะให้เขา ให้คนอื่นแบบเหมือนทานรถเราไปแล้วเราบินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะน่าจะสบายตัวกว่าใช่ไ ม, มันยาวมันร้ายมันระยะทางไกลเนาะค่ะแต่ว่าดูแล้วจริงๆก็คือถ้าจะขับจริงๆก็น่าจะประมาณสามถึงสี่วันอะไรเงี้ยน่าจะถึงค่ะก็นอนคืนก็หาโรงแรมนอนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า วันนี้อ่าไม่ได้มีอะไรค่ะผอาจารย์ก็หนู่หนู่ก็ยังพยายามจะอ่านั่งสมาธิปฏิบัติให้ได้แต่ว่าเหลาะแหละค่ะคือทําได้ไม่ทุกวันแต่ว่าในวันวันที่ตัดสินใจทําหนูก็จะเริ่มด้วยการฟังธรรมก่อนมันทําก็จะปะยาวประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะหนูชอบฟังของพระสังฆาราชค่ะเพราะว่าต้องตั้งสติไม่งั้นจะมันจะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า เป็นการบังคับให้มีสติแล้วก็พอทําหมดครึ่งชั่วโมงหนูก็นั่งต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ได้ไปถึงชั่วโมงแต่ว่า แ, แค่ว่าช่วยได้ไหมเวลาทำทำเนี่ยช่วยได้มากเลยค่ะพระอาจารย์คือถ้าคือยิ่งถ้าเป็นของอ่าทําฟังทำอย่างหนูเลือกฟังของพระสังฆราชแบบท่านท่านเทศแบบว่าถ้าหนูไม่ตั้งใจฟังมันจะเหมือนไม่มีประโยชน์เลยก็คือเหมือนแบบอย่ามานั่งเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า หนูจะนั่งหนูก็จะเหมือนบังคับจิตหนูว่าจะบังคับเองว่าต้องฟังทุกคําพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าไม่งั้นแบบเราจะหลุดไปเลย ซ, ซึ่งแบบบางทีท่านพูดเรื่องจะแสดงธรรมะข้อหนึ่งหรือสองข้อคือสติหรื อ, ส ต, รอสติและปัญญาอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าฟังผัน ผ, นผ่านหนูก็จะมีรู้สึกว่ามันก็คือเหมือนประโยคเดียวเรื่องพูดเรื่องสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่แบบถ้าตั้งสติหนูก็จะรู้ว่าอ๋อท่านกําลังจะพูดถึงธรรมะข้อที่1คือเหมือนที่พระอาจารย์พูดเรื่องหินทับยากอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทำมาข้อที่สองก็คือต้องถอนลากด้วยปัญญาหนูก็เลยจะชอบชอบฟังตรงนั้นแล้วก็เพิ่งชั่วโมงหลังบางทีก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะหนูจะรู้รู้สึกตัวว่าถึงแม้จะฟังทำมาจิตใจนิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็จะชอบแอบมีความคิดแวบเข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเราก็จะปล่อยไหลปล่อยแแทนที่จะอยู่กับฟุทโตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมติออ่อนกำลังกแล้ว ใช่ค่ะ ท, ท, ทั้งๆที่เพิ่งฟังทำเลยนะคะก็แบไบม่มันหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละมันเป็นผลของการที่ไม่ปฏิบัติทุกวันคือจะมาอยู่ๆจะมาเล่นเครื่องเอาวันเดียวเลยให้มันได้หนึ่งชั่วโมงเต็มอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้นั่งอะค่ะะอาจารย์ได้นั่งครบหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่ไดผลไม่ได้ความสง ใช่ค่ะแต่ก็หนูก็รู้สึกว่าก็ยังดีก่อนไม่ได้อะไรเลยแล้วว่าจิตใจว้าวุ่นค่ะพาร์จาย์ช่วงนี้โดยเรื่องเมื่อกี้ที่คุณจิพูดเรื่องแท็กขึ้นมาก็พอหนูธุรกิจตัวที่สองของหนูว่าค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอินพุตเอ็กซ์อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วแบบมาเจอคุณทรัมป์ทำแบบนี้หนูก็แบบอ๋อหายากไปเลยตอนนี้หายากขึ้นเลใช่ค่ะโชคชะตารเราเนาะอยู่ตั้งนานเราก็แบบไม่ได้คิดจะทําพอเราลงมือทําไปได้ 6กเดือนมาเจอแบบนี้แล้วแบบพระอาจารย์สม Business นอะมันจะไปเอาไปจากไหนอะคะ่ะมาเจอภาษี 20% อย่างเงี้ยหนูก็แบบอ๋อแต่ก็แบบพยายามอย่างเมื่อวานก็มีเรื่องที่ทำให้ใจสั่นแบบสั่นแรงมากเลยนะคะพระอาจารย์ซึ่งปกติหนูจะเป็นคนค่อนข้างนิ่งหนูก็แบบแล้วมาควบคุมไม่ได้เลยปล่อยมันสั่นไปเลยประมาณแบบนาทีนึงอะไรเงี้ยแล้วหนูก็กลับมานั่งค่อยๆ ค, ค, คิดว่า เออแล้วจะแล้วจะแบบไปอะไรมันทําไมควบคุมอะไรได้ทําอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังรู้สึกว่าให้อย่างน้อยเราเรายังพอมีสตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอมีปัญญาที่ พ, พ, พิจารณาปล่อยวางนะอ๋อใช่ค่ะโอเคพรามีปัญญาปล่อยวางแต่อาจจะยังไม่มีสติใช่ไหมคะเลยเลยทําให้มันหลุดไปอ่อไม่ทันไม่ทันยังช้าหน่อยอืมพ อ, พอเริ่มดลุดแล้วก็ถึงได้สติขึ้นมาก็เลยดึงดึงกลับมาดึงปัญญามาช่วยเนะไร ค่ะเท่านี้แล้วคะ่ะดี๋ยวต่อไปมันก็จะเร็วขึ้นเองถ้านม่ฝึกสติบอะะอต่ อ, อ, อ, บอยอค่ะโอเคขอบคุณคุณแม่คุังกตค่ะโอเคไว่ต้องพูดลาต่อคุณล า, ามีคำถามมีคำถามวันนี้นกลับในมรส ก, การครัพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าค่ะวางไวเลยกลับนมรส ก, การพระอาจารย์ครับจะวางใจอย่างไรให้ทนต่อความเจ็บป่วยทางร่างกายและไม่กลัวต่อความตายได้ครับ ก็ต้องฝึกสติเนี่ยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ใช้คำบริกรรมก่อนพุโทโธพุโทโธหยุดความอยากหยุดความกลัวแล้วขั้นต่อไปก็สอนใจด้วยปัญญาว่าร่างกายก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นลอนัตตาเราควบคุมบงังคับมันไม่ได้เราทําได้เพียงเพียงแต่ทําใจใเฉยๆยอมรับความเป็นจริงให้ คำถามต่อไปการเดินทางไปไหว้พระพุทธรูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ควรกระทําไหมครับคือเราก็ต้องถามก่อนเราไปไหว้เพื่ออะไรนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธรูปท่าเป็นพระธรรมคําสอนถ้าอยากจะพบบพระพุทธเจ้าก็ให้ไปศึกษาจากพระธรรมคำสอนผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นัดด้นเห็ น, หนราวตถาคต แต่ถ้าคิดว่าไปกราบพระพุทธรูปแล้วเพื่อขอพรอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่เป็นความความจริงนแต่คนก็เชื่อกันว่าถ้าอยากเข้ามาหาอะไรบางทีก็ต้องไปกราบพระอาพุทธรูปที่ไมีชื่อไม่เสียงแล้วจะได้เข้ามาหาม า, หาอะไรได้หรืออยากจะได้ลูกอยากได้แฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วขอไม่ได้ของพวกนี้น ต้องทําต้องคนอ้นควายหามันลัเองดังนั้นก็อยู่ที่ว่าเราไปกราบเพื่ออะไรถ้ากราบเพื่อที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าครับ<ม>ไปอ่านหนังสือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าผ่านผานทางธรรมะพระพุเจ้าบอกผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นมาตรฐานคนผู้ได้เห็นตรฐาคนคือผู้นั้นจะเป็นผู้เห็นธรรม เป็นผู้เมนเดองตายแห่งธรรมคำถามต่อไปเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิที่เป็นสมถะภาวนาผลลัพธ์ที่เราต้องการคือการหยุดคิดโดยกำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวถูกต้องไหมครับถูกต้องให้ให้จิตหยุดคิดให้จิตนิ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้จิตเบาสบาย คำถามต่อไปจากคุณรัฐวันอยากให้พระอาจารย์สอนนั่งสมาธิค่ะก็วันนี้ก็สอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปไปดูเทศของวันนี้ดูช่วงบ่ายบ่ายสองโมงวันนี้ก็เทศไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอดีฝนตกก็เลยบอกวให้นั่งสมาธิต่อคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อยากให้พระอาจารย์อธิบายวิธีการเจริญอสุภะเพื่อมองร่างกายให้เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามค่ะกลับขอบพระคุณค่ะก็เราต้องมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยตอนนี้ผิวหนังมันหุ้มห่ออวัยวะที่เรามองไม่เห็นกันั่นั้วิธีที่จะเห็นอวัยวะต่างๆเบื้องต้นเราก็าจจะต้องไปอาศัยหนังสือที่เขามีภาพถ่ายภาพของซากศพต่างๆเวล า, าเขาชำระเขาชนะสูตรศพอะไรเนี้ย แล้วก็จะพาให้เราเห็นตับตายไสพุง<ม>เห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นเห็นหัวใจเห็นอะไรอวัยวะต่างต่างเบืองต้นเราก็ไปดูภาพแบบนี้แล้วก็เอามาเอาดูบ่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจแล้วต่อไปเวลาเราเกิดความรู้สึกอยากจะมีการอารมณ์กับใครเราก็ให้นึกถึงภาพแบบนี้ขึ้นมาแันนึกออกเห็นภาพมันก็จะทําให้การอารมณ์นั้นดับไปได้คำถามจาก ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าคะ่ะถ้านั่งเก้าอี้ทำงานเตรียมการสอนทางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตลอดทั้งคืนไม่นอนหนักถือว่าเป็นเนสันชิกไหมคะมีผู้ใหญ่ที่เคารพทักว่าไม่ควรไม่นอนตลอดคืนจะมีผลเสียต่อสุขภาพคะ่ะก็ปกติร่างกายก็ต้องมีการพักผ่อนเป็นธรรมดาวันหนึ่งก็อย่างน้อยสี่ห้าชั่วโมงแต่ในบางช่วงที่เราต้องการเน้นความเพียรนี้เราก็อาจจะ เว้นได้เป็นเป็นระยะระยะไม่ใช่ทาตลอดเวลาเพราะบางทีเราเห็นว่าถ้าเรานอนเราจะเสียเวลาและจะทำให้การปฏิบัติของเราเนื่อช้าเราอยากจะเร่งให้การปฏิบัติของเราเร็วให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นบางช่วงเราก็อาจจะต้องใช้เนสัตชิกถ้าถูกกับจลิตกับเราเราจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติมากมีเวลาให้กับการนอนน้อย คำถามสุดท้ายเพิ่งเข้ามาเจ้าคะ่ะนมัส ก, การพระอาจารย์ครับขออนุ ญ, ญาตเรียนถามการปฏิบัติเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจะให้รู้ตัวเพื่อให้มีสติต่างจากการนั่งสมาธิอย่างไรบ้างครับอันนี้เราไม่รู้นะไม่สามารถที่จะพูดมือตอบได้ต้องขออภัยด้วยคำถามแล้วเจ้าคะ่ะมาแล้วนะเวลาก็บทบริสุทธิหรับวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ